กร่าวน้ำสการครับพระอาจารย์ครับจอนยอนครับพระอาจารย์ตรงเวลาเป๊ะเลยครับผมพระอาจารย์ครับผมอผวันนี้ผมตั้งหัวข้อเอาไว้ครับพอดีวันก่อนผมฟังเทศของพระอาจารย์ย้อนไปธรรมะบนเขาครับแล้วพระอาจารย์พูดถึงบารมีสิบนะครับแล้วตอนที่พระอาจารย์เทศเรื่องเมตตาเนี่ยอผมก็เลยติดใจอยู่นิดนึงครับอยากจะกล่าวเปยนถามพระอาจารย์เพิ่มครับ ที่เราสวดมนต์ทำวัดอะไรกันเสร็จอย่างนี้นะครับอาจารย์แล้วเราก็จะสวดสัพเพสัตตาอาเวลาอัปยาปัจ ช, ชานิคาสุขีอาานังปริหะลันตะเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นการได้แผ่เมตตาไปหรือยังครับอาจารย์ครับยังไม่ได้แผ่หรอกเพราะเป็นการสวดเพื่อแสดงเจตนารมณ์ครับหรือเป็นการสอนใจเตือนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาว่าเราต้องไม่มีเวรกันอเวลาหุนตุ อัปปยาปชาหนตุเราต้องไม่เบียดเบียนกันอา น, นิฆาหนตุเราต้องไม่ทาให้ผู้อื่นทุกกายทุกใจกันและข้อที่สี่สุขีอตานังเปริหารันตุทาให้ผู้มีความสุขการสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการสอนใจหรือเป็นการทาสมาธิหรือเป็นการตั้งเจตนาลม ว่าเราจะต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงโดยลักษณะสี่ลักษณะนี้วิธีแผ่จริงๆนี่ต้องแผ่ด้วยการกระทําเช่นตอนเนี้ยพบปากของคุณหมอก็ไม่ด่ากันพบปากคุณหมอก็สวัสดีสบายดีเลยคุณหมออันนี้ก็แสดงความเมตตาความเมตตาก็คือความปรารถนาดีความมีไมตรีจิตต่อกันแล้วถ้าเกิดทำอะไรผิดพลาดก็ให้อภัยกัน ไม่จองเวนกันต้องทําด้วยการกระทำอย่างนี้เราเป็นการแผ่เมตตาแต่การส่วนนี้เป็นการเตือนใจสอนใจหรือเป็นการตั้งเจตนารมณ์ว่าเราจะต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงครับอ๋เอเขาสวดสดอย่างเดียวไม่ได้ครับผ ม, มครับอาจารย์ครับต้องเอาของไปให้กันต้องยิ้ยกันมันเกิดม <laughs> ันเกิดก็ของขวัญมาให้เขาเลย คเขาก็จะดีใจให้ความสุขกับเขาเรียวสุขียาตานังปริหารันตุครับผมครับจะได้เข้าใจเรื่องการแผ่เมตตาที่ถูกต้องครับขอบพระคุณครับอาารครับต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดครับผมอาจารครับงั้นผมขอโอกาสครับเข้าคําถามจากเพื่อนๆนะครับมีคุณสายสุนีคุณครับท่านนี้ถามไปอาทิตย์ที่แล้วครับที่บอกว่ากราบขอโอกาสอาจารย์ถามคำถามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ การนําลูกแก้วที่ไม่ได้ขออนุญาตกลับไปคืนที่วัดพระอาจารย์จำได้ไหมครับเมื่อที่ที่แล้วบอกต้องคืนกับท่านจเจ้าอาวาสเท่านั้นหรือไม่คะหรือสามารถคืนกับพระชีลูกวัดได้ไหมคะถ้าคืนกับเจ้าอาวาสได้ก็จะดีเพราะาท่านเป็นเจ้าเหมือนเจ้าของวัดท่านเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของวัดหรือถ้าไม่เชนนั้นก็ถ้าสามารถฝากให้กับพระลูกวัดให้ไปให้ไปคืนให้ก็ได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็เอาไวปคืนให้กับจเจ้าอาวาสหรือครับคณะกรรมการของวัดที่ดูแล ว, วัดอยู่ให้ครับที่รักและชอบอเรื่องของวัดครับผมท่านเดิมยังติดใจยอยู่ครับบอกก็ต้องบอกเล่าเรื่องราวและขอเข้ามากับพระกับท่านด้วยไหมคะแล้วก็กรณีถ้าไม่ได้เดินทางไปคืนด้วยตนเองเนื่องจากเจ็บป่วยแต่ฝากคนอื่นหรือส่งพัสดุคืนสามารถขอเข้ามาต่อหน้าพระพุทธรูปได้ไหมคะ คือเราไม่ได้ไ ป, ปร่วมเกินกับพระพุทธรูปเนี่ยเราไปร่วมเกินกับวัดวัดก็ต้องเจ้าวาดพระเนรพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาวาดัดให้ท่านได้รับทราบจะเล่าความเป็นมาให้ท่านทราบได้ก็ดีเพราะบางทีท่านก็ไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นมาอย่างไรส่งไปทางวัสดุและเขียนจดหมายไปก็ได้ แต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าถึงหรือไม่ถึงออมันอาจอา จ, จะค้างคาใจเราอยู่ต่อไปถ้าไปเองได้มันก็จะก็เมื่อเราออมาเองได้ทําไ ม, ไมถึงเวลาคืนนี่ทําไมไปคืนเองไม่ได้ถามตัวเองดูถ้ามีความตั้งใจจริงๆแล้วถ้ายัางหายใจได้ก็ ท, ทําเถิดอันนี้เรียวกว่าเป็นความเรียกสัจจะอธิษฐานมีความตั้งใจที่แน่วแน่ นั่นมีความเพียนพยายามที่จะกระทํำในสิ่งที่เราต้องการจะกระทําเรียกว่าวิริยะขันติอดทนทุกยากลําบากอย่างไรก็ควรจะทําเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทําก็ควรที่จะฟันฝ่าอุปสารคตา่างๆให้มีความอดทนอดคั้นเราก็จะได้ทําให้ทําสําเร็จได้แล้วมันก็จะหายไปจากใจเรามันจะไม่ตกค้างค้างคาค้างค า, ง า, งางอยู่ในใจเราอีกต่อไป ค, คำถามต่อไปทราบจากคุณอุสิรินภานะครับฝากระกถามพระอาจารย์ค่ะเวลากลัวจิตจะมีการดิ่งวูบลงจากนั้นพอรู้ตัวก็หายไปในเวลาไม่นานจะแก้อย่างไรจึงจะไม่ให้จิตตกวูบและมีสติได้ไวขึ้นคะก็้องมันฝึกสติไว้อยู่เรื่อยๆพยายามเจริญสติทุกกรณีเนี่ย พระเจ้บาบอกสติเป็นสิ่งที่จําเป็นในทุกกรณีไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทําอะไรให้เรามีสติอยู่กับการกระทาเหล่านั้นหรือแม้จะนั่งกายเรามีการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆมันก็จะดึงให้จิตเรามีสติแล้วพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจิตเราก็จะรู้รู้แล้วก็ไม่มีความตื่นตระหนกไม่มี อากัปกริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรูวมันรูปั๊มแล้วมันก็ผ่านไปนั้นต้องฝึกสติให้มากๆแล้วต่อไปอาการจะถึงหรือไม่ถึงนั้นไม่ไม่สำคัญข้อสำคัญก็คือจิตเราจะไม่ตกใจไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคำถามจากคุณพัทรพรครับ เพื่อนฝากถามว่าจะทําอย่างไรกับเจ้านายที่มีอคติกับเราทําให้มีความทุกข์ใจในการทํางานมากจะทําอย่างไรดีคะท่านก็สอนว่าให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราเขาให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ถือว่าดีแล้วจะได้หมดเวนหมดกรรมในที่ที่ ตอบครับอาจารย์คำถามจากคุณกันดาครับเราทําบุญแบบไหนที่ได้บุญมากที่สุดคะแบบไหนก็ได้ขอให้ทำไม่มากทําน้อยไม่ว่าจะแบบไหนก็ได้น้อยอบุญมันมีสามระดับระดับทานระดับศีลระดับภาวนาถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับความรู้ในระดับต่างๆที่เราเรียน ระดับมัธยมระดับปถมระดับมหาวิทยาลัยมีความรู้ที่สูงต่ำไม่เท่ากันแต่ทั้งสามระดับของความรู้ก็ต้องอยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากพยัญ น, นอยู่ที่ว่าเรามีความสามารถที่จะทำบุญในระดับไหนถ้าเรายังไม่สามารถทำบุญระดับภาวนาได้เราก็มาทำบุญระดับศีล ถ้าเสียยังทำไม่ได้ก็มาทำระดับทานที่เป็นระดับที่ง่ายกว่าการรักษาศีียงในการภาวนาแตใ่ในแต่ระดับก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราทำมากทำน้อยถ้าเราทำมากเราก็จะได้มากถ้าเราทำน้อยเราก็จะได้น้อยคำถามจากคุณสิริพันธุนะครับ นอนไม่หลับต้องทำอย่างไรคะแม้นั่งสมาธิแล้วก็วนอนสมาธิไปสินอนแล้วก็ดูลมหายใจเขาอย่าปล่อยให้ใจคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆเพราะความคิดนี่มันทําให้นอนไม่หลับในเวลาจะนอนนอนไม่หลับก็นองดูลมหายใจเขาอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวสภาพกจิตก็จะหลับหรือถ้าไม่ใช่นนั้นก็ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจก็ได้ เพื่อลังับความคิดปรุงแต่งต่างๆเอาจิตไม่ไปคิดปรุงแต่งปป๊บเดียวเดียวมันก็หลับอาจารย์ครับจะกุลดาราครับถ้าเริ่มหย่อนต่อการรักษาศีลและสมาธิใช้ธรรมะข้อใดเป็นแรงผลักดันคะก็ดูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวอย่างมาแล้วกันว่าท่า น, า น, านไม่ย่อนหย่อนต่อการปฏิบัติ ถ, ถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ดีขึ้นสูงขึ้นเราก็ต้องทําหน้าที่ของการรักษาศีลและสมาธิให้เต็มที่เขว่าผลที่เราได้จากศีลสมาธิเป็น เ, นเงินเดือนกันแล้วกันถ้าเราขยันทํางานมากๆเราก็จะได้เงินเดือนมากถ้าเราขี้เกียจทํางานเราก็จะได้เงินเดือนน้อยนี่หมายถึงถ้าเราทําการค้าเองเช่นค้าขาย ถ้าเราขายแค่เพียงวันละชั่วโมงเราก็จะได้รายได้ไม่มากถ้าเราขายทั้งวันทั้งคืนเราก็จะได้รายได้มากยังให้นึกอย่างนี้ว่าถ้าเราทำมากเราก็จะได้มากทำน้อยเราก็จะได้น้อยมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะทำมากอ่าคุณบูมซองครับกราบน้ัสการพระอาจารย์ค่ะ เวลาฟังธรรมจะบรรลุธรรมได้ไหมคะกราบขอบคุณคะ่ะเคลื่อยื้ว่าจิตของเราอยู่ในระดับไหนถ้าจิตเราอยู่ในระดับสมาธิคือได้ฌานสี่แล้วเวลาฟังธรรมนี้โอกาสที่จะบรรลุ ธ, ธรรมนี้เป็นไปได้ถ้าเราเข้าใจธรรมที่เราได้ยินได้ฟังเราก็จะสามารถบรรลุ ธ, ธรรมได้แต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีฌานนี้ โอกาที่จะบรรลุธรรมจากการาทําทรมนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะจิตของเรายังไม่มีกําลังที่จะนำธรรมะที่ผู้เจ้าท่งสอนมาควบคุมจิตใจของเราควบคุมกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆของเราต้องมีฌานสี่มีอุเบกขาและมีปัญญาที่เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเรา ถ้าเรามีสองส่วนนี้แล้วเราก็จะบรรลุธรรมได้เวลาที่พระเจ้าแสดงธรรมหรือเวลาฟังเทศน์ฟังธรรของพระพุทธเจ้าจากคุณอรส า, าครับอาจารย์กราบน้มักการพระอาจารย์สวัสดีคุณหมอค่ะฝากกราบเรียนถามพระอาจารย์ในการเรียงลําดับการเอ่ยชื่อในการแผ่เมตตาค่ะและจําเป็นไหมว่าจะต้องแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเท่านั้นค่ะ ความจินการแผ่เมตตายอย่างที่บอกแล้วต้องแผนด้วยการกระทําเพราะฉะนั้นเราเจอใครก็เราก็แผ่เมตตาให้กับเขาเลยตื่เช้าขึ้นมาเจอใครก่อนก็ทักทายเขาสวัสดีจ้าสบายดีเลยจ้านั่นมันอยู่ที่บุคคลที่เราพบปะไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่ตายไปแล้วบุคคลที่เราตายไปแล้วเราก็แผ่เมตตาให้ด้วยการอุทิศบุญกุศลเพราะเข้ารับอย่างเหมือนไม่ได้ เราเเงินเับทองรับข้าวรับของไม่ได้เราก็ต้องแปลงข้าวของเงินทองนี้ให้ไปเป็นบุญด้วยการทําบุญทําทานเสร็จแล้วเราก็อุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วเราจะเอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้ตามลําดับเราเลาแต่อัธยาศัยของเราถ้าเราเห็นให้ใครให้ก่อนใครหลังก็ว่าไปตามความพอใจของเรา จากคุณจะรึกเต็มสั่งครับกราบท่านพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเวลาเดินจงกรมควรท่องพุโทโธหรือกำหนดขวาซ้ายคะได้ทั้งสองอย่างเดินไปจะต้องพุโทโธพุโทโธไปก็ได้หรือเดินไปแล้วดูเท้าซ้ายเท้าขวาไปก็ได้ท่องเวลาก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาก็ได้เป้าหมายก็คือให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้จดจ่ออยู่กับ พูดโทรศัพท์จดจอ่ออย ก, การเดินเท้าซ้ายเท้าขวาไปแต่คุณสีนีนาธนะครับคากล่าวแผ่เมตตก็ดีการอุทิศส่วนกุศลหากไม่กล่าวเป็นภาษาบาลีจะได้ผลหรือไม่เจ้าคะไม่ได้อยู่ที่การกล่าวหรือไม่กล่าวอยู่ที่การกระทําอย่างที่พูดถ้าเราทําแล้วนีมันก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์นะครับเช่นเราทําบุญแล้วเราก็ต้อเลิกถึงว่า นลลึกภายในใจว่าเขาทิ้งบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วเท่านี้ก็ถือว่าการอุทิศส่วนกุศล น, นี้ทำสำเร็จแล้วจากคุณสารดีครับขอถามคันถะธุระวิปัสนาธุระคืออย่างไรคะคือธุรกิจที่พระพุทธเจ้าสา่งมอบให้กับชาวพุทธเราเป็นสองธุรกิจได้นัน ธุรกิจอแรกก็คือกานถำธุระแปลว่าการศึกษาเพราะทำคำสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นการฟังเทศธรรมธรรมหรือการสนทนาธรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการทำธุระเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรพอเราเรียนรู้แล้วขั้นต่อไปเราก็นําออกไปปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งปวงอันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาธุระ คือการปฏิบัติเพื่อให้เห็นแจ้งถึงพระนิพพานถึงมาผลนิพพานนี้นี่คือธุรกรรมหรือหน้าที่ของชาวพุทธเรามีแบ่งไปสองขั้นตอนขั้นตอนแรกให้ศึกษาก่อนศึกษาให้เรียนรู้ว่าพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรสอนให้รักษาสีมสอนให้ทำบุญทำทา น, ทานสอนให้ภาวนาพอเราศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเราก็นำเ อ, อกไปปฏิบัติ การปฏิบัติเขาเรียกว่าวิปัสนาทุระการศึกษาก็เรียกว่าคันาธาทุระจากคุณไบสฟินฟินครับอาจารย์บอกว่าคาถาพระมหาจักกะพัทใช้กับเจ้ากรรมนายเวรได้หรือไม่ครับไม่ได้หรอกคาถามันก็เป็นเพลงแต่คาถาแล้วเี่เจ้ากรรมนายเวรนี้เราไปทําอะไรเขาไม่ได้อนอกจากรอให้เขาทำเราเท่านั้นเอง พราะเราไปทําเข้ามาแล้วเราไปสร้างเวรสร้างกรรมแล้วขเขาก็มาขอคืองัอ้นเราสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําใจเตรียมรับกับเหตุการณ์ที่เจ้ากรรมนายเวรจะมอบให้กับเราถ้าไม่อยากจะให้มีเจ้ากรรมนายเวรก็อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครแล้วต่อไปก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาราวีเรา จากคุณจอมชัยคงมณีการครับกราบน้ำพัศสการพระอาจารย์และอาจารย์หมอวีรพันธ์ครับท่านถามว่าเรื่องการละนานทิวงดว่าความเพลินเบื้องต้นมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับกับผมความเพลินส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีสติเนี่ยเราปล่อยให้ใจเราเคลิ้มไปกับอารมณ์ต่างๆน้เราก็ต้องพยายามมันฝึกสติให้มีสติรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆ อเรามีสติแล้วพอมันจะเริ่มเพลินกับอะไรเราก็หยุดมันได้มันต้องมันฝึกสติมาให้อยู่เรื่อยๆให้เรามีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลาเวลาที่จิตเราไปเคพลินกับอะไรเราก็จะได้ระงับมันได้จากคุณชิวซองลีครับขอกราบน้ำส ก, การขอถามว่าการเข้าไปดูจิตที่แท้จริงเป็นอย่างไร แล้วทำอย่างไรให้จิตอยู่ในสภาวะเช่นนั้นได้ครับคือการดูเข้าไปดูจิตก็คือการเข้าสมาธิเองเพราะปกติจิตเราเราจะไม่เข้าไปดูในจิตเราจะดูแต่รูปเสียงกลิ่นรสพุทธะเราก็เลยมองไม่เห็นตัวจิตเรามองผิดทิศทางตัวจิตอยู่ข้างในส่วนเราไม่ชอบไปดูของที่อยู่ภายนอกคือดูรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะ นั่นเราต้องดึงจิตให้เข้าไปในด้วยการใช้สตินี่เองเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกนี่ก็จะดึงดึงจิตให้กลับเข้าไปข้างในให้ไปพบกับตัวจิตคือตัวผู้รู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบที่ที่ตั้งอยู่กับบนพื้นฐานของอุเบกขาและความสุขพอเราเข้าไปถึงจุดนั้นแนละ้วเราก็จะได้รู้ว่านี่แหละคือแหล่งของความสุขที่แท้จริง เราก็จะพยายามรักษาให้จิตให้ให้จิตของเราเข้าข้างในอยู่เรื่อยๆไม่ให้ส่งออกข้างนอกส่งออกเมื่อจำเป็นที่จะต้องทำภารกิจเท่า น, นั้นเมื่อไม่มีความจะเป็นก็จะดึงจิตเข้าข้างในเพราะความสุขที่แท้จริงความสุขที่ปราศจากความทุกนี้อยู่ภายในคือความสงบของจิตเองจากคุณจ่าเฉยนะครับ มีคำถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิพระอาจารย์ใช้เวลานั่งนานไหมครับสงสัยเป็นการส่วนตัวครับคือการนั่งนีนานไม่นานมันอยู่ที่มีสติหรือไม่มีสติถ้ามีสติแล้วจิตสงบได้เร็วแล้วก็จะนั่งได้นานถ้าไม่มีสตินี้จิตจะไม่สงบนั่งไปไม่นานก็จะรู้สึกทรมาน ก, ก็จะไม่อยากนั่งต่อไปนั่นอยู่ที่การมีสติหรือไม่มีสติ มีสตินี่สามารถทําจิตให้สงบดได้ภาในห้านาทีสิบนาทีหลังจากจิตสงบแล้วก็สามารถนั่งอยู่ไปได้ถึงชั่วโมงก็ได้นู่นนานขนาดก็ได้ขึ้นอยู่กับกําลังสติมีมากมีน้อยงั้นไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องเวลาคอยกังวลกังวลกับเรื่องสติพยายามฝึกสติเจราสติให้มากแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะได้สงบได้ง่ายได้อยู่ได้นาน คำถามจากคุณวารุณีชา nel นะครับฝากถามพระอาจารย์ค่ะการฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วฝันบ่อยๆเป็นเพราะอะไรคะหรือว่าเขามาขอส่วนบุญต้องแก้ไขยังไงคะต้องแผ่เมตตาให้โดยการสวดมนต์บทอะไรคะขอบคุณค่ะมันเป็นความผูกพันของเรามากกว่าใจเราผูกพันถึงบุคคล น, นั้นคิดถึงบุคคล น, นั้นพอนเวลานอนหลับก็ความคิดนั้นก็กลับมาคิดกลายเป็นความฝันขึ้นมาแค่นั้นเอง ถ้าจะรู้ว่าเขามาหาเราจริงหรือไม่เราต้องสนทนากับเขาได้คุยกันได้เหมือนกับเราคุยกันตอนนี้ามตอบคำถามต่างๆได้แล้วเราสามารถพิสูจน์ในสิ่งที่เขาพูดได้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขามาเยี่ยมเราจริงๆแต่ก็ถามว่าเขาต้องการอะไรหรือไม่บางทีก็อาจจะไม่ต้องการ บุญกุศลก็ได้เพราะเป็นงแต่คิดถึงเราอยากจะมาพบปะเรามาสนทนาธารมกับเราก็ได้อย่างพระปฏิบัตินางลูกเช่นของปู่ั่นท่านเขาบอกว่ามีเทวดามาฟังธรรมกับท่านหรือมีพระพุทธเจ้าผ้าหลานมาแสดงธรรมให้ท่านฟังอันนี้เป็นของจริงเพราะท่านท่านอยู่ในสมาธิ แต่พวกเราอยู่ในความฝันนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นความคิดปรุงแต่งของเรามากกว่าเป็นของจริงคุณจิตเป็นดั่งลมครับการที่ไม่หันไปรู้ปล่อยรู้เลิกรู้ปล่อยสู่ความว่างเปล่าจากตัวตนเรียกว่าสักแต่ว่ารู้หมายถึงไม่ให้ความสําคัญกับรู้อีกต่อไปเรียกว่าอารหัตตะมักกระผมเข้าใจถูกไหมครับกราบสาธุอ๋อไม่ถูกครกับปล่อย ปล่ยการรู้ไม่ได้ต้องมีสติให้รู้สึกตัวตลอดเวลาแล้วต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปไตายลักถึงจะเข้าถึงอรหัตมรรมก็อรหตผลได้คุณพัชยานะครับหนูเป็นทุกข์ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงคนอื่นแล้วรู้สึกเศร้ามากจะเินสติอย่างไรดีคะทุกข์เหลือเกิน ก็ให้ส่วนบทหรือท่องบทที่พระเจ้าทรงสอนให้เราท่องอยู่กันอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายกันเป็นธรรมดาย่อมมีการพัาดพรากจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นการเกิดแก่เจ็บตายการพัาดพลากจากกันไม่ได้ให้ท่องบทในไว้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้ท่องบทที่ท่านบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายนี้เป็นเหมือนตุ๊กตาที่เราได้รับมาจากพ่อแม่ของเราซึ่งวันใดวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องถึงแก่ความตายไปแต่เราผู้ที่ได้รับร่างกายมานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายหรือปรคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาตพี่น้องเขาก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาเขาเป็นจิตเป็นโยงวิญญาณที่เขาจะต้องไปเกิดใหม่เท่านั้นเองเว้น ไ, ได้รับร่างกายอันใหม่ นี่เกิดสิ่งที่เราต้องมับพิจารณาสอนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆถ้าเราจะได้รู้ว่าไม่มีใครตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของใครทั้งสิ้นเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งซึ่งจะต้องแก่เจ็บตายแต่ผู้ที่ใช้ร่างกายนี้ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคนที่สั่งนี่หนละคือพ่อแม่พี่น้องญาติทั้งหลายของเราเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขา เราก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเราเราก็ไปต่อไปหาร่างกายอันใหม่ต่อถ้าเรายังมีกิเลสความความอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกา ย, ยเราก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาทําหน้าที่ให้กับเราต่อไป <c oughs> จากคุณทิพวรรณครับความโกรธที่เป็นเหตุ ทำอย่างไรให้เบาบางลงคะมันฝังใจคะ่ะสวดมนต์ก็ไม่ผ่อนคลายเลยคะ่ะเหตุของความโกรธก็ ค, คือความอยากนี่ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธเขาต้องลดความอยากให้น้อยลงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราหัดเจริญความมากน้อยสันโดษ <c oughs> ถ้าอยากได้มากพอไม่ได้มากก็โกรธ ถ้าอยากได้น้อยเวลาได้น้อยเราก็จะไม่โกรธ บ, บ้าบมีมากน้อยสันโดษก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็ให้ยินดีพอใจแล้วความโกรธก็จะไม่มีดังนั้นพยายามฝึกนิสัยมากน้อยสันโดษ <c oughs> ให้มีอยู่ในตัวเราแล้วเราจะไม่โกรธใครคุณจะเฉยครับ เวลานั่งไปนานๆมันจะปวดขาถ้าเราอดทนไปเรื่อยๆความปวดมันจะหายไหมครับถ้านั่งไปเรื่อยๆมันหายไปเองถึงเวลามันจะหายมันก็หายแต่ช่วงเวลาที่มันไม่หายถ้าไม่อยากจะทรมานก็ต้องพยายามท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่าส่งจิตไปคิดถึงความปวดของขาให้อยู่กับคำเลยคมพุโทโธพุโทโธไปแล้วความทรมานใจจะไม่เกิด พรความทรมานใจเกิดจากความอยากให้ความปวดหายไปเราอย่าไปอยากให้ความปวดหายไปถ้าเราไปรับรู้ความปวดที่ขามันก็จะทําให้เกิดความอยากให้ความปวดหายไปมันก็จะทําให้เกิดความทรมานใจดังนั้นเราต้องอย่าไปสนใจไปหาความปวดของขาเรากลับมาอยู่กับพุทโธพุทโธไปถึงแม้ความปวดของขาจะไม่หายถ้าใจเราไม่มีความอยากให้ความปวดหาย ใจเราจะไม่ทรมานใจเราจะรู้สึกเฉยๆกับความปวดของขาและจะนั่งต่อไปได้อย่างสบายคำถามจากคุณจิตเป็นดั่งลมครับอวิชชาที่แท้จริงคือความหลงตัวเองใช่ไหมครับกาพเมธการพระอาจารย์ครับอวิชชาก็คือความไม่เห็นายรักในความไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นโชคไม่ใช่เป็นสุข นั่นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนจากคุณเมกทีวีครับกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะเวลาหนูนั่งทำสมาธิว่าจะไม่คิดอะไรแต่ไม่รู้เป็นอะไรใจไม่สงบคิดโน่นนี่ตลอดจะทำอย่างไรใจจะสงบไม่คิดมากก็เ ร, เราไม่มีสตินั่นเองไม่มีสติที่จะควบคุมความคิดเพียงแต่เพียงแต่ความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอตั้งใจจะไม่คิดตั้งใจบ้า เดือเพล่แป๊มเดียวมันก็คิดนะนี่เราต้องฝึกสติให้มากๆเช่นบริกรรมพุโทโธอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราบริกรรมพุโทโธแล้วจิตก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนี้ได้หรือคอยคอยจดจอ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําต่างๆของร่างกายให้มีสติจดจอ่ออยู่กับการเดินการยืนการนั่งการนอนการกะระทําลายต่างๆของร่างกายทุกทีทียาบอจิตก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้น ได้ด้วยคิดก็ยงก็คิดจะก็จะคิดไม่มากแล้วถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราสามารถที่จะหยุดความคิดต่างๆได้ด้วยสตินี่คำถามจะกคุณเบนจะากดวงมาลาครับกรา บ, บนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะนั่งเจริญสติแต่เหมือนตัวเองตกจากที่สูงเกิดจากอะไรและควรแก้ไขยอย่างไรเจ้าค่ะมันก็เป็น ลักษณะของจิตเวลามันจะเข้าสู่ความสงบนี้มันจะเหมือนตกลงจากที่สูงถ้าเรามีสติเราก็รู้เฉยๆไปถ้าเราพูดโทย์อยู่เราก็พูดโทต่อไปถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปถ้ามันถ้ามันตกลงมาจากที่สูงมันก็จะรู้ว่าจิตสงบเย็นสบายเราจะหยุดดูลมตอนนั้นก็ได้จะหยุดพูดโทย์ก็ได้ถ้าจิตไม่คิดปรุงแต่งคํถาถามจากคุณวรพงศ์นะครับ สวัสดีดกรกล่าวพ้องาชกา ร, รท่านหลวงปู่ขอถามหน่อยครับสวรรค์นรกมีจริงไหมครับสวรรค์และนรกนี่ก็เกิดความสุขใจความทุกข์ใจนี่เวลาตายไปจิตที่มีความสุขใจเราก็เรียกว่าอยู่ในสวรรค์เวลาจิตมีความทุกข์ใจเราก็เรียกว่าอยู่ในนรกเพรตอนที่ร่างกายไม่มีนี่ความสุขใจความทุกข์ใจนี่มันจะยาวไม่เหมือนกับตอนที่เรามีร่างกาย เพราะตอนนี้เรามีร่างกายเราสามารถ <c oughs> เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคอยป้อนก็มาสูขใจเวลาเราทุกข์ใจบางทีเราก็ไปเที่ยวกันความทุกข์ใจก็หายไปชั่วคราวเวลาเรามีความสุขใจแล้วเราไปวิตกกังวลกับเรื่องนั้นตรองนี้ความสุขใจก็หายไปในนความสุขใจทุกข์ใจที่มีอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้มันจะสลับไปสลับมา แต่เวลาที่เราตายนี่ส่วนไหนที่มันมีกำลังมากกว่ามันก็จะแสดงผลเช่นถ้ามีความทุกข์ใจมากกว่ามีความสุขใจความทุกข์ใจมันก็จะแสดงผลไปจน ก, กว่ามันจะหมดกำลังมันก็จะเป็นนรกเลื่อบายถ้ามีความสุขใจมันก็จะมันก็จะเป็นความสุขใจไปยาวจนกว่าความสุขใจจะหมดกำลังนี่เรียกว่าสวารรค์เลื่อนนรก อยู่ในจิตอยู่ในวิญญาณของเราไม่ใช่สถานที่อย่างที่เราอาจจะเข้าใจกันอันนี้ไม่ใช่คําถามครับแต่อยากอา่านให้พระอาจารย์ฟังครับจากคุณวิรัญ ญ, ญาครับน้องกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเห็นพระอาจารย์แล้วคิดถึงองค์หลวงตาพระมหาบัวเจ้าค่ะดีใจมากที่มีรายการถามตอบธรรมะเจ้าค่สะสาธุสาธุ <c oughs> คุณพิมนาล่ะครับสวัสดีครับคุณหมอวีกราบาร ณ, า, รณ า, าจารย์เจ้าค่ะหากเราแผ่เมตตาให้ผู้มีชีวิตอยู่เขาจะได้รับความปรารถนาดีของเราไหมเจ้าคะก็เราต้องแผ่ต่อหน้าต่อเสร็จไม่เด้นั่งแผ่รับหลังเขาก็ไม่รู้เรื่องจิ่นัน่นได้อยู่คนเดียวเราแผ่ให้ของเขาไม่รู้หรอกอยากจะแผ่ต้องไปเจอเขาแล้วสวัสดีเขาเอาข้าวของไปให้เขาหรือเสนอตัวเองว่าถ้าคนเดือดร้อนต้องการอะไรก็โปรดบอกได้ อย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเขาก็จะรับรู้ไม่ใช่นั่งสวดคนเดียวในนี้ไม่มีใครรับรู้การสวดนี่ไม่ใช่เรียกว่าเป็นการแผ่การแผ่ต้องเกิดจากการกระทําต่อบุคคล น, นั้นๆจากคุณเอ็กซ์แอครับนิพพานมีจริงไหมครับใช้อะไรเป็นเครื่องพิสูจน์เขาบ่งเล็บว่าท่ฉันบอกให้คนไปทาปฏิบัติตัวเองครับนิพพานก็คือจิตที่สงบปราศจากความทุกข์นั่นเอง จิตที่ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวเป็นจิตที่มีความสุขตลอดเวลางานนันน่งคืนนิพายนไม่ใช่สถานที่คําถามจากคุณบีนาเลสกุลวัดครับอาจารย์ครัคนที่ทําไม่ดีกับคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นทําไมได้ดีมีความสุขดูจากคนอื่นคะ่ะความจริงเราไม่รู้ว่าเขามีความสุขหรอือเปล่า เราอาจจะเห็นเขามีความสุขทางร่างกายเช่นเขามีข้าวของเงินทองเยอะแยะเป็นแต่ใจเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นผลของการทาดีหรือทำชั่วนี้เราไม่ได้ว่าที่ข้าวของเงินทองลาภวุฒิ ร, รสริญ เ, เราว่าที่ความสุขหรือความทุกข์ใจคนบงคนทำบาปทำไม่ดีได้อะไรเยอะแยะไปหมดแต่ใจเขาไม่สบายหรอก ใจเขาจะวิตกกังวลหวาดกลัวกับวิบากกรรมที่เขาทําเช่นไปปล้นเขาไปปล้นเงินมาได้เงินเป็นล้านที่ตัวคนปล้นนี้สบายใจไหมกินไม่ได้นอนไม่หลับหวาดกลัวต้องคอยระมัดระวังว่าจะถูกจับไปเมื่อไหร่ดังนั้นการดูผลของการทําความดีและความเชื่อเราไม่ได้ดูที่ข้าวของเงินทองหรือลาภยุทธเสริญให้มองที่จิตใจของเขาซึ่งเราไม่สามารถจะมองได้ นอกจากเรามองที่จิตใจของเราต้องสังเกต ด, ดูเวลาเราทําบาปในจิตใจเราสุขหรือทุกถึงแม้ว่าจะได้ข้าวของเงินทองมาแต่ใจเราไม่มีความสุขเพราะเราทําบาปเราโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราคิดว่าเรามีความสุขใจไหมนี่คือผลของการวัดความดีความชั่วไม่ได้วัดที่ด้วยข้าวของเงมือนทองแต่วัดที่ความรู้สึกของใจเราว่าเราสุขหรือเราทุกข์ คำถามจากคุณ Night4LOL นะครับกลาวตามพิธการครับพระอาจารย์และคุณหมอวีกรรมที่ทําไว้กับเจ้ากรรมนายเวรถ้าเราแผ่เมตตาให้กับเขาทุกครั้งที่ผมนั่งสมาธิกรรมจะลดลงไหมครับไม่ลดหรอกต้องให้เข้ามาทําร้ายเราเขาให้ามาจองเอาคืนเช่นเราไปทำร้ายเขาเขาต้องมาทําร้ายเรานั่นแหละเวรกรรมถึงจะหมดลงได้ เหมือนกับเราเวลาโกรธใครนี่ต่อให้เขากราบขอคำอ า, ม, ามันก็ไม่เราก็ไม่หายโกรธใช่ไหมถ้าเขาทุบตีเราเราก็อยากจะกลับไปทุบตีเขาพอเราได้ทุบตีเขาแล้วความรู้สึกโกรธเคืองเขาก็จะหายไปดันั้นไม่ใช่เกิดจากการนั่งสมาธิหรือแผ่เมตตาให้กับเขามันจะหมดได้ก็ต่อเมื่อเขาได้สิ่งที่เขาต้องการกระทํากับเราแล้วเท่านั้น แต่คุณวินเทลสโน่ครับกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะลูกอยากเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธิไปสักหนึ่งชั่วโมงแล้วปวดขามากถ้าหากเราทนนั่งต่อจนความปวดเบาบางลงแต่ก็กลับมาปวดมากขึ้นอีกควรจะนั่งต่อหรือหยุดพักคะถ้านั่งต่อได้ก็ดีเพราะเป็นการฝึกจิตให้มีความแข็งแรงแข็งแก่งให้มีแรงต้านทางความเจ็บปวดของร่างกายถ้าเราทําได้ต่อไปเวลาร่างกายเราเจ็บไข้ได้ปวดเราจะไม่รู้สึกทุกข์ทรมาน เราสามารถที่จะอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะทานนั่นเองเน้นพยายามถ้านั่งต่อได้ก็นั่งไปเรื่อยๆนั่งให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ไม่ให้นั่งเฉยๆให้นั่งโดยการใช้สติพุโทโธหรือใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางความเจ็บปวดของร่างกายว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ ถ้าจิตปล่อยปั๊บจิตจะไม่ทรมานกับความเจ็บปวดของร่างกายคำถามจากคุณ WJ ครับรานมัสการพระอาจารย์ค่ะการทำบุญที่ทำหลังเราตายไปแล้วอย่างการแสดงความจํานกภักจารย์อยวะหลังเราตายนี้ได้บุญไหมคะเพราะเข้าใจว่าทำบุญจะได้บุญมากต้องทำตอนเรามีชีวิตอยู่ค่ะขอบคุณค่ะการมีเจตนานไม่ถือว่าเป็นการกระทาบุญ เช่นโยมบอกอาตมาว่าพรุ่งี้จะถวายเงินร้อยหนึ่งโยมไม่ได้ถวายเงินเพียงแต่บอกเฉยๆบุญยังไม่เกิดการจะเกิดได้ต้องมีการกระทําแล้วเท่านั้นถึงจะเกิดถึงถึงจะเกิดผลขึ้นมาถ้าอยากจะบริจาคอาวัยวะต้องยกอาวัยวะอันนั้นให้เขาไปเลยเช่นขอบริจาคตาข้างซ้ายให้กับคุณเพราะเห็นคุณตาบอดแบ่งตาให้คุณใช้สักตาหนึ่งนั่ต้องทํา ต้องเกิดจากการกะระทําในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่บริาจาคตาแล้วตายไปแล้วก็ให้เขามาเอาอย่างนี้เราไม่รู้ว่ามีใครมารับไปหรือเปล่ามีใครมาเอาไปหรือเปล่าเราต้องรู้เรื่องตลอดเวลาว่าเราได้กระทําได้เสียสละแบ่งปันสิ่งที่เรารักเราชอบเราหวงให้แก่ผู้อื่นแล้วเราจะได้เกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมา คำถามจากคุณจอมชัยครับพระอาจารย์ครับหากจิตไม่สงบขณะนั่งเจริญสติเราใช้บทสวดเช่นบทถวายพรพระเพื่อระงับความฟุ้งจะไปรบกวนการเจริญสติหรือไม่ครับผมไม่หรอกการสวดก็เป็นการเจริญสติรูปแบบหนึ่งซึ่งบางทีถ้าเราไม่สามารถดูลงหรพุโทโธได้เราก็อาจจะต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนอาจจะต้องสวดนานๆหน่อยสวดสักครึ่งชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงแล้วเราจะรู้สึกว่าใจเราเริ่มเย็นเริ่ ม, มสบาย แสดงว่าเราเริ่มมีสติแล้วเราก็สามารถที่จะนั่งดูลมต่อไปเมื่อพุทโธต่อไปได้คําถามจากคุณอาริยาครับผู้ได้โสดาบันแล้วตายไปเมื่อกลับมาเกิดใหม่ความเป็นโสดาบันจะยังคงมีอยู่ตั้งแต่เกิดหรือไม่หรือจะปรากฏขึ้นใหม่เมื่อเขาโตขึ้นและหันเข้าหาทางธรรมครับออมีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกาย โซดาบันนี้อยู่ที่จิตเป็นได้อยู่ที่ร่างกายเขาก็จะเป็นโสดาบันความคิดความรู้สึกนึกคิดของเขาก็จะเป็นโสดาบันเขาได้ร่างกายใหม่เขาก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดของเป็นของพระโซดาบันอยู่เพราะได้เป็นพระโซดาบันแล้วจะไม่มีวันเสื่อมลงมาเป็นผุ้ทุชนอีกต่อไปมีแต่จะขึ้นสูงขึ้นไปต่อไปเขาก็จะปฏิบัติทำสูงขึ้นเพื่อตัดกิเลสที่ยังขวางทางอยู่ให้มันค่อยๆหมดไป ตามขั้นตามตอนของการปฏิบัติซึ่งมีอยู่สี่ขัน้นจากขั้นโสดาบันก็จะขึ้นสู่ขั้นสกิทาคามีจากนัก้นสกิทาคามีก็สู่ขั้นอนนาคามีจากอนาคามีก็สู่ขั้นพระอานอันนี้อยู่ที่การปฏิบัติที่ต่อต่อเนื่องไม่ขาดสายทํากั น, นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจ จากคุณชิวซองลีครับอาจารย์กราบนรรมสการ์ขอถามว่าผมอยู่แต่บ้านในช่วงโควิดนี้ไม่ได้ไปไหนจิตก็ฟุ้งซ่านไปกับข่าวโควิดจิตเลยไม่ค่อยมีกุศลหล่อเลี้ยงผมควรสร้างกุศลใดได้บ้างในการเก็บตัวอยู่บ้านนี้ครับน้อก็ปิดอย่าไปรับข่าวสารมากนเกินไปฟังแค่ครึ่งชั่วโมงเลยก็พอแล้วเอาเวลาที่เหลือนี้มาเจริญสติมาทําพุโทโธพุธโทโธมสวดมน มาคอยควบคุมใจให้อยู่กับอิริยาบถต่างๆของร่างกายทำอย่างนี้เราก็จะสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่สตินี้เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่าการทําบุญทําทานกว่าการรักษาเสียงการที่เราอยู่บ้านถ้ายิ่งอยู่บ้านคนเดียวได้นี้การเจริญสตินี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดจะทําให้เราได้บุญได้กุศลเพราะจิตของเราจะสงบจะเย็นจะสุขจะสบายนั่นเอง จกุนอุสลีครับกลาวในมรสการค่ะหนูเคยฝันเห็นหลวงปู่ทวดในฝันค่ะท่านสอนหนากับหนูด้วยค่ะท่านกล่าวว่าที่ทํามาดีแล้วถ้าไงไปวัดราชาด้วยหนูเลยหาข้อมูลวัดนี้มีจริงที่อยุธยาเป็นวัดที่หลวงปู่ทวดจำพรรษาค่ะแสดงว่าหนูมีบุญสัมพันธ์กับท่านใช่ไหมเจ้าคะก็ไม่ใช่เหมือนกันเราจะมีบุญสัมพันแล้วืไม่มีบุญสัมพันธ์สําคัญอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาความฝันนี้มาทําให้เป็นบุญกุศลอย่างนึกเปล่า จะดีกว่าเมื่อท่านบอกให้เราไปทำบุญที่วันนั้นเราก็ไปเราก็จะได้บุญได้กุศลการที่เราเรานั่งคิดว่ามีความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ทำให้เกิดบุญกุศลขึ้นมาแต่อย่างใดจาก S S Channel ครับกราบน้ำพะสการค่ะการฝึกสมาธิโดยการดูลมหายใจแล้วกำหนดฐานจิตที่หน้าผากระหว่างคิ้วนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกหรอกต้องกาหนดอยู่ที่ลมหายใจ อยู่ที่ปลายจมูกและอยู่ที่กลางหน้า อ, อกเช่นเวลาเข้าท่านดูที่กลางหน้า อ, อกก็คือยุบหนอพองหนอเวลาเข้าไปลมเข้ามันหน้า อ, อกก็จะพองขึ้นมาเวลาหายใจออกหน้าหน้าหน้าอกก็จะยุบลงไปหรือให้อยู่ดูที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าลมออกเราจะสัมผัสรับรู้การเข้าของลมได้ให้อยู่ตรงสองจุดนั้นจุดใดจุดหนึ่งให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเอาทั้งสองจุด ต้องการให้จิตนิ่งจิตต้องอยู่ที่จุดเดียวแล้วจิตจะสงบนิ่งเป็นสมาธิได้ต่อไปมีคําถามจากคุณอุสุรินภาครับเรียนถาพระอาจารย์ค่ะเมื่อเราเจ็บป่วยมีความทุกข์ทางกายมากเราจะฝึกจิตอย่างไรให้เราไม่ต้องทรามานกับมันคะความทรมานของจิตก็เกิดจากความอยากให้ความเจ็บปวดทางร่างกายหายไปนั่นเอง แต่ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นว่าความเจ็บปวดนี้เราไม่สามารถไปสั่งมันได้ไมันเป็นอนัตตาแต่มันก็เป็นอนิจจังไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเปลี่ยนมันก็จะต้องจะเป็นเพิ่มมากขึ้นหรือจะเป็นเบาน้อยลงก็แล้วแต่เราไม่สามารถไปวควบคุมคับได้เพราะฉะนั้นเราอยากไปอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะมันจะสร้างความทรมานใจให้กับเราวิธีที่จะทําให้เราไม่มีความอยาก ให้ความเจ็บหายไปก็มีสองวิธีวิธีชั่วคราวก็คือให้ท่องพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้ า, าไปเมื่อจิตเรามีงานทําไม่ไปคิดถึงความเจ็บปวดของร่างกายความอยากที่ให้ความเจ็บปวดหายไปมันก็จะไม่เกิดแล้วมันก็จะทําให้ใจเราไม่ทรมานอันนี้เป็นการทาแบบชั่วคราวเพราะว่าเวลาใดที่เราอยู่สวด หยุดดูลมเนื่อหยุดนั่งสมาธิพอเราไปคิดถึงความเจ็บปวดของร่างกายเราก็จะเกิดความอยากให้มันหายนั้นวิธีที่สองคือวิธีสอนใจว่าความเจ็บปวดของร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราไปบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาหายไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกทรมานใจเราก็ต้องอยากไปอยากให้เขาหายปรับใจเราเปลี่ยนใจเอาไม่หายก็ได้ อยู่อย่างนี้ไปก็ได้อยู่ด้วยกันไปถ้าเขาไม่อยากถ้าเขาไม่อยอมไปเราก็ต้องรับเขาให้เขาอยู่กับเราไปถ้าเราเปลี่ยนใจไม่ประหยัดให้เขาหายได้ใจเราก็จะไม่ทรมานเราก็จะอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างสบายคุณนัดนัดครับเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนเราไม่กล้าทวงด้วยค่ะอย่างนี้ถือว่าเราใช้หนี้เก่าเขาไหมคะ ก็ยังเหรอถ้าเรายังอยากได้คืนถ้าเราต้องเปลี่ยนใจว่าอ้ถือว่าเป็นการทาบุญทําทานและเป็นการใช้ดีแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะได้คืนใจเราก็จะได้สงบใจเราได้มีความสุขแต่ถ้าเรายังมีความหวังความอยากใก็คืนอยู่นี่มันก็ยังจะไม่มีความสุขนะทุกครั้งที่คิดถึงเงินก้อนนี้ก็จะเสียดายจะโกรธเขาเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันเป็นบุญก็ต้องคิดว่า เราไม่ต้องการคืนแนละ้วถือว่าเป็นการทําบุญทาทานไปคือใช้นี่เข้าไปเลยครับอาจารย์หรือว่าใช้ไปเลยจบไม่ต้องการคืนแนละ้วครับจากคุณอุสลีครับพระอาจารย์คะทําทำาบาลด้วยความกลัวหมายถึงอะไรเจ้าคะเช่นเรากลัวมแมลงกลัวยุงนี่เราก็ฆ่ามันนี่ทําบาปด้วยความกลัวอันนี้เรียกว่าการทําบาหรืออาจจะทําผิดศิ่ข้อใดข้อหนึ่งในห้าข้อด้วยความกลัว ก็ถือว่าเป็นการทาําบาปทาให้จิตเราเป็นอสุรกายขึ้นมานั่นเองคุณสุปกรนะครับเวลานั่งสมาธิเรานั่งบนเก้าอี้กับการนั่งที่พื้นเหมือนกันไหมคะก็อยู่ที่ว่าเรานั่งแบบไหนได้ถ้านั่งแบบขัดสมาธิได้แล้วเรานั่งกับพื้น การนั่งขัดสมาด้านี้มันจถ้าถ้าเราปฏิบัติแบบเข้มข้นมันจะดีกว่าการนั่งข้อีเพราะการ น, นั่งข้อ้นี้นั่งไม่ได้นานมันก็อาจจะร่างกายมันอาจจะเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งก็อาจจะทำให้ต้องขยับแต่ถ้าเรานั่งอยู่ในท่าขัดสมาด้นี้มันจะไม่เอ็งั้นถ้าต้องการปฏิบัติมากๆนานๆนี้ก า, ารนั่งขัดสมาด้นั่งกับพื้นนี้มันจะดีกว่า แต่ถ้าเราไม่ได้นั่งนานไม่ได้นั่งแบบแบบมืออาชีพจะนั่งบนเก้าอี้สบายๆก็ได้แต่มันจะนั่งไม่ได้นานคำถามจากคุณแพงจิตภาครับกา ร, รมรดการข่าพระอาจารย์ก่อนนอนจิตรวมเป็นสมาธิเป็นฌานจนกว่าจะหลับไปแบบนี้ทุกคืนตื่นมากลางดึกรู้สึกว่าจิตขึ้นเป็นสมาธิอยู่แล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกคืนจนถึงเช้าขนาดหลับ ไม่ได้ควบคุมโยมติดสมาธิใหมคะเจ้ว่าติดก็มันก็ไม่ได้เป็นการเสียหายอะไรเพราะสมาธิก็เป็นเหมือนกับการหลับนอนคนเราต้องหลับนอนกันทุกคนในเวลาหลับนอนนี่เราจะไปว่าเราติดการหลับนอนหรือไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะมันสิ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องหลับนอนกันสมาธิก็เป็นการพักผ่อนของจิตใจ การตืินในสมาธิก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นโทษเป็นภัยต่อจิตใจเพงแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนี้นอกจากการมีสมาธิแล้วเราอย่างต้องมีปัญญาถ้าเราทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ไปทำทางปัญญาเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติดสมาธิเมื่อเรามีสมาธิแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลามาเจริญปัญญาคนละครึ่งครึ่งหนึ่งก็ให้กับการทาสมาธิอีกครึ่งหนึ่งก็ให้กับการเจริญปัญญา อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่ติดสมาธิแต่ถ้าจะทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่เจริญปัญญาเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการติดสมาธิคำถามจากคุณแทนครับหากชอบเผลอคิดควบคู่ไปกับการอยู่กับ ก, บกรรมฐานจะมีวิธีฝึกเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างไรได้บ้างคะบางทีก็ต้องหาสถานที่ที่มันบังคับให้เราอยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวเช่นอยู่ที่หน้ากลัวในป่าช้าอย่างนี้ พอมีความกลัวเกิดขึ้นมานี้มันจะไม่กล้าไปคิดถึงเรื่องผีทันทีมันจะกลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวเงั้นบางทีอยู่ในที่ปลอดภัยนี้มันจะทําให้จิตเราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไ ม, ไม่ไม่จําเป็นจะต้องมีที่พึ่งแต่พอเวลาจิตไปอยู่ที่หวาดเสียวหวาดกลัวนี้จิตจะต้องมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถึงจะไม่ไม่เกิดความกลัวก็เลยต้องบาที นักปฏิบัติเนะี่ยจะไม่หาสถานที่มาบังคับให้จิตไม่ไปคิดเพอคิดปเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าไปเพ้อคิดก็จะไปคิดถึงเรื่องที่น่ากลัวเช่นคิดถึงผีบ้างคิดถึงเสือบ้างดังนั้นถ้าไปอยู่ที่น่ากลัวมันก็จะบังคับให้เราคิดอยู่กับพุโทโธพุทโธอยู่กับกรรมฐานจิตก็จะสงบง่ายกว่าการที่เราอยู่ในที่ปลอดภัย จากคุณสุรศักครับากรารรัมมัสการหลวงพ่อครับถ้าเรามีสติรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วพิจารณาอารมณ์หาเหตุหาผลหาต้นตอของอารมณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นทางสิ้นไปของกิเลสได้ไหมครับก็ถ้ามันเกิดความโลภเราก็ต้องหาวิธีดับมันให้ได้เวลาเกิดความโกรธก็ต้องดับมันให้ได้เวลาเกิดความหลงก็ต้องดับมันให้ได้ให้ได้ด้วยสตดิด้วยปัญญา คีคำถามจะคุณวีนาครับอาจารย์คะคนที่ทําไม่ดีกับเราแผ่เมตตาอย่างไงคะก็ให้อภัยเขาไงอาเวลาหงุดหงิรือไม่จองเวรจองกรรมกับเขาถือว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทํามันก็เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานให้กับเขาไปก็แล้วกันอย่างนี้เราก็จะไม่มีการจองเวรจองกรรมต่อกันจากคุณโยโย่ครับกราบนรรมศสการพระอาจารย์จริงไหมครับ ถึงเราจะแผ่เมตตาให้ตลอดแต่ถ้าเจ้ากรรมนายเวรไม่ยอมรับเราก็ไม่ได้รับการให้อภัยขอบพระคุณครับถูกต้องการแผ่เมตตานี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะไปลบล้างเจ้ากรรมนายเวรได้เพราะเจ้ากรรมนายเวรนี้เขาก็อยากจะที่จะล้างแค้นอราคืนเราเรเคยไปทําะไรเขาไวา้เขาก็อยากจะล้างแค้นดังทางที่ดีสุดก็คืออย่าไป ก, ก่อกรรมก่อเวรแล้วเราจะได้ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาลาวีกับเรา คำถามจากคุณจิตเป็นดังลมครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือจิตดวงนี้ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตซึ่งก็คือการเห็นจิตที่บริสุทธิ์ณปัจจุบันใช่ไหมครับกล่าวทางรัศกรพระอาจารย์ครับคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็หมายถึงผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์นั่นเองเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีจิตบริสุทธิ์พระธรรมก็เป็นคําสอนที่ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ ผระสง์ก็คือผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วํำระจิตของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันเห็นทั้งสามองค์นี้ก็พูดหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์จากคุณบรรลังสอนครับป้าจารย์ครับคนที่ทำคนโดยไม่มีเหตุผลที่แท้จริงและมีปัญหาทางจิตเปิ้ลจะแผ่เมตตาให้เขาได้ยังไงบ้างครับก็ไม่ถือโทษกอดเคืองเขา้ แต่ว่าเขาจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนามีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือเราต้องให้อภัยเขาใจของเราจะเรียนใจของเราจะสงบใจของเราจะไม่ทุกข์กับการจากคุณน้องนุชครับกราบน้ำรสการพระอาจารย์ค่ะและสวัสดีคุณหมอค่ะถ้าเราไม่อยากให้บ้านมีจิ้งจกหนูแต่ไม่อยากทําบาปเราเลยจะเลี้ยงแมวแทนจะบาปไหมคะ เรื่องแ่เพื่อมากันรูเ้เลยการกันการจิ้งจบเลยถ้า <c oughs> มีเจตนาที่ถ้ามีเจตนาที่จะไปกําจัดมันก็บาปเพราะเราตั้องเราต้องปล่อยให้เขาอยู่ไปตามสภาพของเขากันได้ก็กันปิดกั้นมีมุ่งรั้วดีอะไรต่างๆอย่าให้มันเข้ามาในบ้านแต่ถ้าเรามีเจตนาที่จะไปเลี้ยงสัตว์อื่นเพื่อมาทําลายสัตว์อีกชนิดหนึ่งนี้ก็ถือว่าบาป จากคุณจะเฉยครับก่อนนอนผมจะสวดมนต์ลแล้วก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วเราจําเป็นต้องแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไหมครับคือบุญกุศลมันต้องอยู่ที่ว่าเรามีมีหรือไม่มีเช่นการนั่งสมาธิสวดมนต์นี่ยังไม่ถือว่าเป็นบุญในกุศลที่แท้จริงเพราะเป็นการเป็นการฝึกเป็นการสร้างยังไม่ได้เกิดผลจิตยังไม่สงบจิตยังไม่รวมเป็นสมาธิดันั้น แล้วก็บุญเหล่านี้ไม่ได้เป็นบุญที่ใช้ในการแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้การที่จะแผ่สุขบุญกุศล น, นี้ต้องต้องเกิดจากการทําบุญทำทานเท่าที่พระพุทธเจ้าสงสอนท่านสอนให้น้องแผ่ส่วนบุญกุศลด้วยการทําบุญทำทานไม่ได้แผ่ด้วยการนั่งสมาธิการรักษาศีลอันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อตัวเรา จากคุณระเรณ์ครับอยากถามพระอาจารย์ว่าบางครั้งเราพูดโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจแบบนี้จะผิดสีข้อสี่ไหมคะผิดมันก็โกหกอยู่ดีเนะี่ยเพื่อให้เขาสบายใจหรือไม่สบายใจเราก็ยังโกหกอยู่นั่นแหละจากคุณดาราครับสาเหตุที่มีโรคระบาดในปัจจุบันเป็นเพราะเคยคนส่วนมากขาดสีหรือไม่เจ้าคะ ก็คุณหมอคงอะรู้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องศีลธรมเนีลยมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ใกล้ชิดกันหรือไม่ถ้าอยู่ใกล้ชิดกันโอกาสที่เชื้อโรคมันจะแพร่ให้กับการระบาดมันก็เกิดขึ้นถ้าอยู่ห่างกันมันก็แพร่ไม่ได้นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของโลกนี้ที่จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ คุณจงชนกนะครับกราบธรรมทศกาณพระอาจารย์เจ้าค่ะกรณีถ้าให้อภัยเขาแล้วเขายังไม่รู้สึกต้องทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ให้อภัยไปเรื่อย ๆ, ๆเขายังรู้สึกมันรู้สึกไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรารู้สึกสบายใจก็ใช้ได้เพราะการให้อภัยของเราเราอยา่าไปให้อภัยเขาเพื่ออยากให้เขาให้อภัยเราเราให้อภัยเขาเพราะเราไม่ต้องเราไม่อยากจะโกรธเขาไม่อยากจะมีเรื่รองเวลากับเขาแล้วเราจะได้สบายใจเย็นใจ แต่เราอย่าไปให้อภัยเพื่อให้เขาให้อภัยเราแล้วพอเขาไม่ให้อภัยเราเราก็ร้อนใจเป็นมาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีเหตุผลของการให้อภัยการให้อภัยนี้เป็นการดับความโกรธความเกรียดที่มีในใจเราให้หายไปคุณเม็กทีวีครับกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะเวลาเราทำบุญหรือไหว้พระแล้วเรากวดน้ำแผ่บุญกุศลให้เจ้ากรรมของเราแล้วเราแผ่ให้เจ้ากรรมของลูกหลาน เขาจะได้รับหรือเปล่าเจ้าคะอันนี้ของใครของมันเราแผนได้เฉพาะเจ้ากรรมายเวรของเราของลูกของหลานก็ว่าต้องแผนของเขากันเองทําแทนกันไม่ได้คําถามจากคุณบุมซองครับกราบนักสการพระอาจารย์ค่ะเวลาเดินรงกลมรู้อยู่กับการเดินบางครั้งจิตจะไปสัญญาสังขารจะรีบดึงกลับมา ตรงนี้ต่างจากการเจริญกายานุปัสนาสติประฐานสี่อย่างไรคะคือการเจริญกายานุปัสนาสตินี้ก็เป็นการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสตินั่นเองใช่ไหมเรามีสติรู้ว่าตอนนี้ร่างกายของเราอยู่ในอิเดยาบทไหนกำลังยืนก็รู้ว่ากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนก็ให้มีสติแ ล, ล้วรู้อยู่กับอิเดยาบทนั้นๆไม่ให้จิตไปคิดถึงเรื่องอื่น หรือเวลาร่างกายเคลื่อนไวหวทําอะไรต่างๆก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญกายรู้ปัฏนาสติปัฏฐานคําถามจากคุณศิริพร์ครับกราบธรรมสการพระอาจารย์และสวัสดีคุณหมอวีค่ะขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําในการใช้ชีวิตประจําวันควรใช้หลักธรรมะใดในการดําเนินชีวิตและทํางานคะ ก็มีหลายธรรมะด้วยกันการทํางานก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีสติให้เรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรถ้าเราเดือดจลามึนเมาแล้วไปทํางานนี้ก็จะทํางานแบบไม่ไม่ถูกต้องคนเมาทําอะไรไม่ไม่ไม่มีสติทําผิดผิดทุกๆุกงั้นต้องมีสติข้อสาคัญต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานของเรา อันนี้เกี่ยวกับเรื่องการทํางานแต่ในเรื่องการเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเราก็ต้องใช้เมตตามีความปรารถนาดีไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ความสุขกับผู้อื่นในเวลาที่ผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดีก็ให้มีมุทิตาแสดงความยินดีต่อเขาหรือถ้าผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ให้มีความกรุณาช่วยเหลือแบ่งปันบรรเทาความทุกข์ยากลำบาก หรือถ้าเราอยู่ในกรณีที่เราไม่สามารถทำรายได้ช่วยเขาไม่ได้เช่นเขาเป็นป่วยด้วยโรคอะเรหมอบอกจะต้องตายไปใน6เดือนถึงแม้เราอยากจะให้เขาหายเราก็ไม่สามารถช่วยเขาได้เราก็ต้องใช้อุเบกขาคือทำใจให้ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงมาเป็นเรื่องสุดวิสัยของเราที่เราจะไปช่วยไปทำอะไรให้เขาได้เพราะถ้าเราอยากจะช่วยแล้วเราช่วยไม่ได้มันจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นกับเขาเราก็ทำใจเฉยๆไปอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์ทรมาไปกับความความความเจ็บความตายของเขาอันนี้คือลักษณะของการใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันคือให้มีพรไ ม, ม้หารสี่เมตตากราุณามุนิตาอุเบคาแล้วก็ให้มีสติและปัญญาแล้วก็มีความเพียรความ อวามขยันหมังเพียรคำถามจากคุณนัทษาครับกราบพระพุทการเจ้าค่ะเมื่อจิตเข้าสู่โคตรภูญานจะต้องชดใช้วิบัติกรรมอย่างหนักหนาสาหัสใช่หรือไม่เจ้าคะและทุกคนต้องผ่านยา น, นี้หรือไม่เจ้าคะและจะใช้เวลายาวนานเท่าไหร่เจ้าคะจึงจะข้ามโคตรปุถุชนนี้อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโคตรภูยานนี้เป็นยังไงต้องขอไปด้วยต้องขอผ่านนีกว่าดไูไว้แล้วเดี๋ยวอยู่เป็น คุณเต้ครับสวัสดีคุณหมอวีการธรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคําถามเจ้าค่ะหากชาตินี้ปฏิบัติไม่ถึงโสดาบันชาติหน้าถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเริ่มปฏิบัติใหม่จากศูนใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เราก็ปฏิบัติต่อจากคั้นที่เราอยู่ถ้าเราได้สมาธิเราก็สามารถปฏิบัติสมาธิต่อได้เลยถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะรักษาศีลต่อได้เลยของวุนนี้ไม่หายไป ทำทานได้แค่ไหนมันเราก็จะมากลับมาทําทานต่อเท่านั้นรักษาศีลได้แค่ไหนเราก็จะมารักษาศีลต่อนั่งสมาธิได้ทำไหนเราก็จะมารักนั่งสมาธิต่อไม่ต้องเริ่มที่สูงทำต่อได้เลยเหมือนกับย้ายโรงเรียนย้ายสถานที่ย้ายจังหวัดที่อยู่อาศัยเราอยู่มสามเราก็ไปต่อที่ไ ป, ไปเรียนที่อื่นต่อทีชั้นมสามต่อถ้ายังไม่จบมสามถ้าจบมสามแล้วก็ขึ้นมสได้เลยเป็นต้น คำถามจากคุณวินเตอร์สโน่ครับกลาวเวียนถามพระอาจารย์ค่ะในบางครั้งที่นอนหลับจะฝันเสมือนจริงมากคือรู้สึกตัวเหมือนตอนที่เราตื่นอยู่ว่านอนอยู่แล้วตัวหมุนเป็นวงกลมแล้วลอยขึ้นเหาะไปในอากาศสิ่งนี้คืออาการจิตหลุดจากร่างหรือแท่ฝันไปคะเป็นความฝันความจริงจิตไม่ได้อยู่ในร่างมาตั้งแต่เริ่มต้นจิตอยู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกับยานอาวกาศกับผู้ที่ควบคุมยานอาวกาศนี้อยู่คนละที่กัน พวกก็ภูมิยาลอากาศนี้อยู่ที่โลกเหล่านี้ ญ, ญ า, าว่าอากาศนี้อาจจะไปอยู่ที่ดาวอังคารก็ได้ฉันใดร่างกายกับจิตก็อยู่คนละโลกกันจิตอยู่โลกที่ร่างกายอยู่ในโลกกระทาโลกของดินน้ำลมไฟจิตส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้กายแล้วก็ใช้ร่างกายทําอะไรต่างๆเวลาจิตสงบเวลาจิตฝันนี้ จิตก็จะอยู่ในจิตของเป็นเรื่องของที่อยู่ในจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายฉนันจิตไม่ได้ออกจากร่างกายไม่เคยเข้ามาในร่างกายมันเพียงแต่มนการเชื่อมต่อกันทางกระแสวิญญาณเท่านั้นเองคำถามจากคุณใบินฟินครับสุขทุกเฉยๆอาการเฉยๆคือไม่สุขไม่ทุกนั้นต้องบาเพ็ญเพียรอย่างไรต้องมีสมาธิขั้นชานสมาบัติไหนและใช้หลักทัพข้อไหนนามา พิจารณาถึงจะเข้าสู่อารมณ์นั้นได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ครับคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่มันมีสองส่วนนะคือทางร่างกายส่วนหนึ่งแล้วทางจิตใจอีกส่วนหนึ่งทางร่างกายนี้เราก็เราก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่งเช่นเวลาเราหิวข้าวนี่เราก็เรียกว่ามีความทุกขนะ์พอเราได้รับประทานข้าวร่างกายมันอีกเราก็ได้ความสุข ในช่วงที่เราไม่หิวเราไม่อิ่มเราก็เลยก็ไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้คือส่วนของร่างกายที่เกิดจากความแปรปรวนของร่างกายความขาดแคลนของร่างกายหรือการกระทบกับสิ่งต่างๆบองที่ไปกระทบกับของที่มันแหลมคมก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาไปกระทบกับของที่เย็นที่สบายเช่นปรับเครื่องปรับอากาศมันก็เกิดความสุขขึ้นมา อันนี้เป็นเรื่องสุขทุกไม่สุขไม่ทุกข์ทางร่างกายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของร่างกายส่วนความสุขความทุกข์และความไม่สุขไม่ทุกข์ของใจนี้เกิดจากการกระทำดีหรือการกระทาไม่ดีทำบุญก็จะเกิดสุขใจทำบาปก็จะเกิดความทุกข์ใจถ้าต้องการให้จิตสงบไม่มีความทุกข์กายถูกจะไม่มีความสุขไม่มีความ ให้มีอุเบกขาอันนี้ก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสนุก <onu>? ส่วนความไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจก็เกิดจากการไม่ได้ทำบุญหรือไม่ได้ทำบาปนั่นเองมันก็เป็นแบบนี้้องขออภัยถ้าอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวขอับทางใจนี้ทุกข์ใจเกิดจากการทำบาปสุขใจเกิดจากาการทำบุญไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจแสดงว่าไม่ได้ทาบุญไม่ได้ทาบาป แล้วมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เกิดจากความสงบของใจที่เป็นอุเบกขาอันนี้ก็มีสามสี่ลักษณะในในในเรื่องของความรู้สึกทางใจคำถามจากคุณ Happy of Life n u r s e m e n ครับอะไรสำคัญที่สุดในการเกิดมาเป็นคนครับการาบธรรมสถานครับก็จิตใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจิตใจนี่ จะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่การกระทําของเราเนี่ยเองถ้าเราอยากให้จิตใจของเรามีความสุขเราก็ต้องทําบุญถ้าเราไม่ต้องการให้จิตใจของเรามีความทุกข์เราก็อย่าไปทําบาปถ้าเราต้องการให้จิตใจเราหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเราก็ต้องปฏิบัติธรรมยุติการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือใจพระ เ, เจ้าใจนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกนี้ไม่ควรที่จะไป ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆทั้งหลายมากยิง่งก็ อ, อาการให้ความสำคัญกับใจิตใจของเราคำถามจากคุณพัธนิตครับขอเรียนถามต่อจากครั้งที่แล้วนะคะทิ้งสมาธิไปนานเพิ่งมาเริ่มตอนฟังพระอาจารย์แนะนำให้สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิพอจิตเข้าถึงความสงบวิศภาวะไม่อยากออกจากสมาธิอยากทราบสภาวะและการออกจากสมาธิคะก็อรอให้มันออ ก, ก่อนมันอยากออกก่อนนี่ แสดงว่ามันยังสงบอยู่มันยังมีความสุขอยู่มันก็ไม่อยากจะออกเหมือนคนนอนหลับนอนหลับยังไม่อิ่มยังไม่พอก็ยังไม่ตื่นไม่ต้องไป็นบังคับให้จิตออกจากสมาธิควรจะคอยประคับประคองให้อยู่ในสมาธิเป็นนานเพราะเป็นการพักผ่อนจิตใจเป็นการให้พลังแก่จิตใจเป็นการสร้างอุเบกขาให้แก่จิตใจงั้นถ้าจิตยังไม่อยากจะออกก็อยากเพิ่งไปบังคับเขาให้เขาอยู่เปะนนาน จนกว่าเขาอยากจะออกเดี๋ยวเขาออกมาเองคำถามจากคุณเบนจ์าพาครับกลาวนภัส ก, การค่ะพระอาจารย์ที่บ้านขายของชําขายเหล้าเบียบร์บุหรี่เราจะบาปไหมคะใจไม่อยากขายเลยแต่ด้วยภาระหน้าที่ค่ะเราจะบาปไหมรู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะการขายนี่ไม่บาปแต่ถือว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นอาชีพไม่ไม่เป็นสัมมาชีพเพราะส่งเสรมิมให้ผู้อนเขาไปทําบาปได้ เาฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ดื่มเองไม่เราไม่ดื่มชวานี่เราไม่บาแต่เราสนับสนุนแล้คนอื่นเขาได้ดื่มอันนี้คนที่ดื่มนะบาแต่คนที่สนับสนุนนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับชาวพุ้นคำถามจากคุณบัวแก้วครับกาวรรมสการพระอาจารย์ค่ะวิปัสสนากรรมฐานกับสมถกรรมฐานต่างกันอย่างไรคะ กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการทําใจให้สงบหรือทําใจให้ฉลาดนั่นเองสมถะกรรมฐานคืออารมณ์ที่ทำให้ใจเราเนิ่องสงบเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เรียกว่าเป็นสมถะกรรมฐานเพราะถ้าเราบริกรรมพุทโธไปเรื่อยเรื่อเดยวจิตก็เข้าสู่ควาสงบได้ส่วนมิปัสนากรรมฐานนี่คือการใช้ใช้การใช้อารมณ์ที่ทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมา มีความเห็นแจ้งรู้จริงในสภาว่าธรรมที่แทจ้จริงเช่นดูความตายของร่างกายนี้เดิดูความไม่สวยงามของร่างกายดูอัศวะอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะจะทําให้เราได้เห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่สวยยังไงต่อไปก็ต้องกายเป็นคนแก่กลายเป็นคนตายไปอันนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานให้ความรู้ที่แท้จริงกับเรา ผสมถกรรมฐา น, านให้ความสงบกระจายคำถามจากคุณแคทครับกราบเพียนถามพระอาจารย์คำว่าบริกรรมพุทธโธหมายถึงตอนนั่งสมาธิลมหายใจเข้าท้องพุทธลมหายใจออกท้องโธใช่ไหมคะแล้วถ้าพยายามหายใจเข้าให้ลึกๆเพื่อให้เห็นลมหายใจชัดๆได้ไหมคะหรือปล่อยตามธรรมชาติเวลานั่งสมาธิต้องปล่อยให้ลมหายใจตามธรรมชาติ เราจะหายใจเล็ ก, เ ก, เ ก, เกหรือไม่เล็กนี้ไหวเข้าไปหน้าที่ของเรามีเพียงแต่ถูกใจไว้ให้อยู่กับลมหายใจให้ด้วยการดูลมหายใจเข้าท่านั้นถ้าเราจะใช้พุโทโธมากำกับด้วยก็ได้ไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ถ้าเราต้องการดูอย่างเดียวก็ได้เช่มนมาดูที่ป่ายจมูกเวลาลงเข้าก็รู้ว่าเข้าเวลาลมออกก็รู้ว่าออกท่านี้กรับขอแต่บางท่านอาจจะรู้สึกว่ามัน มันยังไม่กระชับพอจิตยังชอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนีง้อยู่ก็เลยบังคับให้ใช้พุทโธด้วยหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทโธเราก็ไม่ต้องดูลมให้อยู่กับคําบริกรรมเพลงอย่างเดียวถ้าเราดูลมไม่ต้องใช้คําบริกรรมพุทโธก็ได้ให้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ ดังการนั่งสมาธิแบบนี้จะมีอยู่สามวิธีดูลมอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวหรือผสมกันหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธกนได้มีคือสามวิธีของการฝึกสมาธิทางถามจากคุณน้องธํรรงรัตครับเพื่อนที่ยังติดอยู่ในสมาถากรรฐมฐานติดในสมาธิยังไปไม่ถึงวิปัสสนาจะทำอย่างไรครับก็ต้องสอนก็ต้องหัดมาคิดทางปัญญามาก เวลาออกจากสมาี่มาแล้วก็สามารถคิดทําปัญญาได้เช่นในเราเรียกว่าร่างกายเขาไม่เที่ยงอา น, นิจจังจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ น, นี่เรียกว่าอา น, นิจจะอนัตตาก็คือเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้เขาไม่ใช่ตัวเราของเรา้นนคิดว่าทักอย่างเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติร่างกายนี้ก็เป็นธรรมชาติเหมือน เหมือนดินฟ้ากะที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้อันนี้ให้เิดแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาวิปัญญาแล้วคำถามจากคุณวิไลลักษณ์ครับหากเราทำบุญโดยการใช้วิธีการโอนเงินในการทำบุญตามโอกาสต่างๆเนื่องจากไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดอันนี้ได้บุญไหมคะได้ได้พอโอนบพออนไปแล้วก็ได้บุญทันทีเหมือนกับเราก็ถวายเงินไป แต่สมัยนี้เราใช้เงินฐานะบบอิเล็กทรอนิกส์นี่คำถามคำถามจากคุณประที่ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่สามารถต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรได้ไหมครับก็กฎแห่งกรรมนี่แหละเป็นเรื่องที่จะต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรได้ถ้าเราไม่ทําบาปมันก็เราก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรแต่ถ้าเราทําไปแล้วเราไปลบล้างเจ้ากรรมนายเวรไะ่ได้ลบล้างบาปที่เราทําไปได้ เพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ส่วนเวรกรรมเก่าที่เราทำมาแล้วก็คอยรับมันเดี๋ยวพอมันผ่านพอมันหมดแล้วมันก็จะไม่ก็มีเจ้ากรรมนายเวรอีกต่อไปคำถามจากคุณนาเรนครับอยากถามพระอาจารย์เวลาเรารับประทานอาหารแล้วเรานึกถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วว่าให้เขาอิ่มกับเราด้วยเขาจะรับรู้ด้วยไหมคะไม่รับรู้หรอก เพราะหนึ่งน้อไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาก็าอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์ไายแล้วก็ได้เขาอาจจะไปเป็นเทวดามีความอิ่มใจสุขใจกับบุญที่เขาทำแล้วก็ได้หรือถ้าเขาไปอยู่นรกเขาก็ไม่รู้ว่าเราส่งความอิ่มไปให้เขาแล้วก็ความอิ่มทางร่างกายเราก็ส่งไปไม่ได้เราส่งไปได้เพียงแต่ความอิ่มทางจิตใจที่เกิดจากการทาบุญทาทาน คุณสายสุนีนะครับหากเคยขโมยของในร้านค้าในตอนเด็กโดยสำนึกได้และนำเงินไปคืนโดยตีราคาของที่ขโมยมานั้นแต่เจ้าของร้านเดิมตายไปแล้วเลยไปคืนกับลูกหลานแทนแบบนี้สามารถแก้กรรมได้ไหมคะหรือยังต้องรับกรรมอยู่ไหมคะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะแก้กรรมได้ไหมเพราะว่ามันเป็นคนละวาระกันไปแล้วเขาอาจจะคนที่ตายไปแล้วก็าอาจัง ควาใจอยู่ว่าเราทขาโมยเงินเข า, าชาติชาติหน้าเขาเจอเราเขาอาจจะกลับขโมยเงินเราก็ได้อาจารย์ไอผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับคุณพัฒร์พรอันนี้จังทุกขังอะนะตาอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าทุก ข, ขังทนได้ยากทนอะไรครับแล้วทุก ข, ขังของก้อนหินหรือต้นไม้คืออะไรครับอันนี้เป็นการความเข้าใจผิดคําว่าทุก ข, ขังก็คือความทุกขใจนี่ เวลาเราไม่สบายใจเวลาเราเครียดเนี่ยนี่คือทุกขังอย่ไม่ทราบใครเข้าไปแปลว่าทุกขังทนไม่ทนได้ยากทนอะไรอาจจะทนก็ทนกับความทุกข์ไม่ได้เพราะเพราะมันเราทุกข์มันทรมานมากจนทนไม่ไหวเขาก็เลยว่าทนทนได้ยากในความจริงคาว่าทุกขังนี่ก็คือความแปลว่าทุกข์ใจความทุกข์ใจที่เกิดจากเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์ใจเวลาที่เราจะตายเราก็ทุกข์ใจ อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นความทุกข์ทางใจคำถามจากคุณดวพัา ค, ครับย้ายที่ทำงานใหม่แต่เหมือนเขาไม่ค่อยต้อนรับเราจะทำยังไงครับก็เป็นปกติเวลาเรามาใหม่ๆเขาก็ไม่รู้จักเราถ้าอยากจะให้เขาต้อนรับเราเราก็แผ่เมตตาสิให้ความสุขกับเขาสิเลี้ยงเขาสิจัดงานเลี้ยงเลี้ยงอาหารกลาวันทุกทุ ก, กทุกประเทศนี้ เดี๋ยวก็จะรู้จักเรารักเราเองขอให้เร า, เาแผ่เมตตาด้วยการทำบุญทำทานกับเขาแล้วเขาจะรักเราชอบเราคุณประพาพรครับนักการหลวงพ่อเจ้าค่ะนั่งสมาธิเพ่งกระดูกแล้วนิ่งตอนที่นิ่งแล้วไม่ต้องเพ่งกระดูกต่อหรือเพ่งไปเรื่อยๆเจ้าค่ะถ้าคิดว่านิ่งก็ไม่ต้องเพ่งก็ได้แต่ถ้าไม่เพ่งแป๊บๆก็ไม่นิ่งแล้ากลับมาเพ่งใหม่ จังกาจิตมันจะว่างจะทุกอย่างว่างหมดเลยแต่ความว่างก็ไม่ต้องเพ่งอะไรนะจากคุณจ่าเฉยครับการถือศีลแปดในวันพระเราออกไปทํางานตามปกติเราจะถือศีลได้ไหมครับและถ้าโดนตัวเพศตรงข้ า, ขามเพราะการทํางานได้ไหมครับการแต่เนื้อต้องตัวกันขกเขาจะก็ยังไม่ผิดศีล น, นะเพราะศีลข้อสามนี้เ้าห้ามร่วมหลับนอนกัน แต่ที่เขาม่แตะเนื้อต้องตัวกันเพราะกลัวว่าเหนียวไฟจะลุกพอได้แตะเนื้อต้องตัวแล้วเหนียวกามอารมมันจะลุกแล้วทนไม่ไหวเด็ากการะทั่งต้องเป็นร่วมรับนอนกันก็เลยป้องกันไว้ก่อนอย่าให้อยู่ใกล้กันอย่าให้แตะเนื้อต้องตัวกันเท่านั้นเองแต่ถ้าเราทํางานแล้วมีเหตุจเป็นที่จะต้องแตะเนื้อต้องตัวบ้างเช่นเป็นแพทย์จะต้องฉีดยาเป็นพยาบาลต้องฉีดยาไปตรวจอุณหภูมิให้กับคนไข้ด้วยอย่างนี้ถ้าทําด้วย เคยเป็นเหตุของการทํางานเราไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับเขาอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดศีลข้อสามแต่อย่างใดรอาจารย์ครับแล้วอย่างผมเป็นหมอเนี่ยะคระับผมเจอครูบาอาจารย์มารักษาบางองค์ท่านก็ไม่ยอดยินยอมให้พยาบาลผมก็เป็นคนฉีดเองเนี่ยนะคะระับอาจารย์แต่บางองค์ก็ยินยอมอย่างนี้ครับผมเพราะท่านต้องการจะถือให้บริสุทธิ์เต็มร้อยเนียเพราะท่านถือว่าถ้าพยาบาลแต่ต้องนึกท่านเปน สารภาพมันถือว่าเป็นผิดเป็นการผิดศีลต้องคือเป็นผิดวินัยไม่ได้เป็นผิดศีลข้อสามในในในศีลแปดในผิดผิดพระวินัยแต่เนืต้องตัวเพศต้องกันข้าไม่ได้อออันนี้ไม่ได้เลยถ้าเป็นพระไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นคารวะ น, นี้ก็ไม่ถือว่าผิดศีลข้อสามศีลข้อสามต้องเกิดจากการร่วมหลับนอนกันครับ คุณน้องนุชครับบอกว่าสามีไม่ชอบไปวัดไปทําบุญแต่เราชอบไปวัดและใช้เงินสามีในการซื้อของทําบุญสามีจะได้บุญด้วยหรือไม่คะเขาจะได้บุญก็ต่อ่องเขายินยอมก็มีความยินดีด้วยต้องมีเจตนาที่จะทําบุญถ้าเขาไม่มีเจตนาเขาอาจจะเกิดเกิดความโกรธความไม่พอใจกับเราก็ได้ดังั้นต้องบอกเขาก่อนว่าเจ้าเงินส่วนนี้ไปทําบุญพี่ยินดีไหม ถ้าพี่ไม่ยินดีก็อยาเาเงินของเขาไปเอาเงินของเราไปทาการทำบุญจะสําเร็จประโยชน์ได้หนึ่งต้องมีเจตนาคือความยินดีสองต้องเสียสละสิ่งที่เราให้ไปต้องต้องมีของให้เลยไม่ใช่มีเจตนาแต่ไม่มีของให้บุญไม่ยังไม่เกิดต้องมีเจตนาและก็ ม, มีมีของที่เราเสียสละไปผลของบุญคือความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมา คุณมานาจังครับการรำมรสมการพระอาจารย์มีความอยากได้ของคนอื่นแก้ไขตนอย่างไรคะเขาคิดว่าถ้าเป็นของเราคนอื่นก็อยากมาได้เราจะคิดอย่างไรให้คิดมุมกลับบ้างเวลาจะไปทําคนอื่นแล้วให้ย้อนกลับว่าถ้าเขามาทำกับเราเราจะคิดอย่างไรมันก็อาจจะทําให้เราไม่อยากจะไปทํากับคนอื่นเพราะถ้าเราไปทํากับเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาทํากับเราต่อไป คำถามจากคุณอุศิรินภาครับการเป็นถามอาจารย์ค่ะกรรมที่ไม่มีเจตนาเช่นฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนายัางต้องชดใช้กรรมไหมคะถ้ายังไม่มีเจตนานี้ไม่บากนะเช่นเราขับรถไปแล้วสนัขวิ่งตัดหน้าตายไปอย่างนี้เราไม่ได้ทําบามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องสุริสายไม่เป็นบาคุณแอนอัญจานะครับ เจ้ากรรมนายเวรคือสามีไม่ว่าจะทำอะไรต้องคอยกั่นแกล้งตลอดทุกวันนี้สวดมนต์แผ่เมตตาให้จะหลุดพ้นไหมคะก็ยากันสิดูว่าจะถ้าอยากจะหลุดค้นก็ลอยงยากันดูแต่คุณประทีปครับกราบทัมศการพระอาจารย์การไปซื้อปลาที่ยังเป็นเป็นอยู่และให้เขาทำการฆ่าปลานั้นให้ตายเพื่อ น, นำมาประกอบอาหารถือว่าผิดศีลหรือเปล่าครับิด okay. ข้าเองด้วาายซ้ำก็เลยก็ฆ่าให้เรานในคริสตั้โนงคุณจานงครับสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันจะอาราธนาศีหน้าทุกวันได้ไหมคะคือสีในอาราธนาแปลว่าการที่เราจะตั้งใจรักษาสีหน้าถ้าเราไม่ตั้งใจรักษาสีหน้าอาราธนาไปก็ทํานั้นแล้วการรักษาศีหน้าต้องรักษาตอนที่เราตื่นไม่ใช่รักษาตอนที่เรอนอน พรตอนที่เรานอนเราไม่ได้ทําอะไรไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องอาราธนาศีลห้าอาราธนาศีลห้าเพราะเราต้องการที่จะรักษาศีลและต้องทําตอนที่ตอนเช้าก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตของวันใหม่นี้เอ่ถ้าเราอยากจะรักษาศีลห้าในวันนั้นเราก็ต้องตั้งใจอาราธนาศีล น, นี้แปลว่าพากันตั้งใจไม่จําเป็นจะต้องไปอาราธนาศีลกับพระเสมอไปสามารถตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาได้ว่า วันนี้จะรักษาสี่ห้าท่า น, นี้ก็จบอย่า้องทำในขณะที่เราตื่นไม่ใช่ทำในขณะที่เราจะนอนหอ ล, อลับรอนหลับเราก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แนละ้วจะไปราทนาหรือไม่ราทนามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างไรคุณรัชยาครับอโากาสกราบเรียนถามพระอาจารย์เคยได้ยินคำว่าการยกจิตจากสมถะขึ้นสู่วิปัสสนาทำอย่างไรคะ ก็หมายความว่าหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็มาคิดทางปัญญาต่อต้องทําตอนที่เราออกจากสมาธิถ้าตอนอยู่ในสมาธิจิตสงบเนียไปยกจิตออกมาให้จิตออกมาเองก่อนให้จะออกมาจากสมาธิแล้วเราก็คุปปะเข้าให้จิตคิดไปทางปัญญาเขาเรียกว่าไปทางปัญญาจากคุณสายสุนีครับในสมัยเด็กขโมยสินค้าในร้านค้าโต๊ะ ไม่อนนี้มัผ่านไปแล้วอันนี้ตัดไปแล้วนะอันนี้ผานแล้วครับคุณดีๆครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ในช่วงที่นอนหลับแล้วฝันร้ายในฝันเราก็จะสวดมนต์บทที่สวดเป็นประจำและออกเสียงมาจริงๆพร้อมกับสะดุ้งตื่นหรือบางครั้งคนที่นอนด้วยได้ยินแสดงว่าจิตเราบันทึกบทสวดนั้นไว้ใช่ไหมคะใช่จิตเราจําได้พอถึงเวลานเราก็สวดมีกคร จากคุณจิตเป็นดั่งลมครับน้องกราบั้อมสักการพระอาจารย์ปฏิบัติจากเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกติด ก, การเลิกติดรูปฌานเลิกติดสุขในอรูปฌานจนเลิกติดความบริสุทธิ์จนมาถึงเลิกความเป็นตัวตนไม่เป็นเจ้าของจิตเจ้าของนิพพานประสุทธิอ์อันนี้น่าจะเล่าให้ฟังมากกว่าครับรอาจารย์อืมจากคุณพัชชวัตครับกราบเรียนผามพระอาจารย์ถ้านั่งสมาธิไปจนถึงขนาดหนึ่งที่ไม่รู้สึกถึงกาย ไม่รู้สึกถึงลมหายใจเหลือเพียงพุโทโธพุโทโธจากนั้นมักจะเกิดความรู้สึกว่าตัวตนตัวรู้จะหายไปด้วยแล้วเกิดความกลัวตายขึ้นมาทำให้หลุดจากสมาธิสามารถแก้ไขหรือปฏิบัติอย่างไรครับก็พุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับความกลัวอย่าไปกังวลถ้าเราไม่ไปสนใจกับมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้กเกาะติดกับพุโทโธไปเรื่อย คุณคุณจิราพรครับกราบพระพุทธการค่ะการกวดน้ําโดยยินรดน้นําลงดินเหมือนรถนาำต้นไม้จะถึงผู้รับไหมคะแล้วต้องสวบดบทกรวดน้ําหรือแค่กล่าวคําอธิษฐานอย่างเดียวจะได้ไห ม, มครัการอุทิศวันนี้ไม่ต้องใช้น้ําสามารถอุทิศได้ผ่านทางใจโดยตรงนั้นจะมีมน้ําไม่มีน้ําไม่สําคัญแต่สําคัญว่าเราจะต้องมีการระลึกภายในจิตของเรา ว่าขออุทิ่ส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์แล้วคุ ณ, คณกุลกรครับนั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งควรทำอย่างไรดีคะกล่าวเป็นถามพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ต้องพุโทโธไปแล้วสวนมนไปก่อนให้มันนิ่งก่อนแล้วค่อยมาดูลงหายใจต่อจากคุณเคเคครับอยากกล่าบเป็นถามพระอาจารย์ว่า ในขณะที่พ่อแม่เสียไปนานแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสดูแลท่านเลยทุกวันนี้ในส่วนลึกของหัวใจรู้สึกนึกถึงบุญคุณของท่านไม่หายเลยทุกวันทางทางที่มีท่านแล้วจะเกิดผลอะไรไหมคะไม่เกิดผลอะไรหรอกก็เป็นความจิตสํำนึกของเราเท่า น, นั้นเองคุณสานิตราครับกราบธรรมศกาิพระอาจารย์ค่ะถ้าเราปฏิบัติจนถึงขั้นโสดาบันในชาตินี้ จะมีโอกาสได้มรุนิพพาในชาตินี้ไหมคะหรือว่าจะยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายต่ออีกเจ็ดชาติคะมืันก็ขึ้นอยู่ว่าเราปฏิบัติต่อไปได้ไหมก่อนถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยเืยเราก็อาจจะบรรลุถึงขั้นสูงสุดได้ในครบนี้ชาตินี้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเราไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติต่อหรือเราเกิดมีอุบัติเหตุตายไปก่อนเราก็แล้วกลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาปฏิบัติต่อใหม่แต่จะไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก มีคำถามจากคุณอนุมาคระอาจารย์ตัดใจไม่ได้เลยคิดมาทีรายใจเป็นทุกข์มากเครียดให้คนยืมเงินไปเขาไม่คืนไม่หนีไม่จ่ายเฉยๆไปคิดมาแล้วเครียดมากทําไงจะตัดใจจากเรื่องนี้ได้ก็เคิดว่าถูกเข้าข้องงอไปก็แล้วหรือว่าคิดว่าเป็นการทาบุญทําทานก็มีสองวิธีหรือคิดว่าไม่ใช่เป็นเงินของเรา เป็นเงินของเขาแล้วก็มาเอาคืนไปก็ต้องคิดแบบนี้แบบใดแบบหนึ่งหรือหยุดคิดเลยก็ได้อย่าไปคิดถึงมันเลยพอจะคิดถึงมันก็ทําพุทโธพุทโธไปหยุดมันไปหรือคิดว่ามันถ้าอะไรมันเป็นของเรามันก็จะอยู่กับเราหรือถ้ามันไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาหาเราอยู่ดีถ้ามันเป็นของเราก็จะยืมไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็จะมาคืนเราแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นของเราก็เถอว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันจะไม่กลับมา การินอย่างนี้ก็ล แ, แล้วกันเราจะได้สบายใจครับจากคุณเจมส์มดครับร ก, กราบธรรมัสการพระอาจารย์ค่ะคุณพ่อแก่ชรามากๆแล้วค่ะท่านหลงลืมจําลูกๆไม่ได้และมักจะด่าว่าและพูดคําหยาบใส่เราซึ่งเป็นลูกที่คอยดูแลท่านแต่ท่านจําเราไม่ได้ค่ะเรามีความตกต่ําตามที่ท่านว่าแช่งเราไหมคะแม่หลับดีเชื่ออยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่การสาปแช่งของผู้อื่นยังไม่ต้องกังวล ไม่กังวลอยู่ที่การกระทำของเราว่าเราทําดีเราทำเชื่อเท่านั้นก็พอจากคุณระเรนครับขอถามพระอาจารย์ว่าไปซื้อของที่ตลาดมีแม่ค้าทอนเงินผิดมาให้หนึ่งร้อยอยากเอาไปคืนแต่ไม่รู้คนไหนแต่เราก็เอาเงินนั้นไปทําบุญเสียจะทําให้เราพ้นผิดทางธรรมได้ไหมคะเราไม่ได้ผิดทาเขาให้เงินมาโดยที่เราไม่มีเจตนาที่จะไปอยากได้เงินของเขา เราทด้วยการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้องเงินนั้นมาแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะไปคืนเขามันก็ไม่ได้เป็ความผิดของเราเราจะไปทําบุญเราก็จะได้เราก็จะได้บุญจากการเอาเงินของเขาไปทําบุญคุณด็กคุก ค, ครับกราบธรรมทศกัณพระอาจารย์วิธีที่เราจะนําภาวนาพุโทโธไปกับเราแม้ว่าเราจะตายไปแล้วจิตเราก็ยังภาวนาพุโทโธอยู่เราต้องปฏิบัติอย่างไรคะ ก็เริ่พุทธโธอยู่เรื่อยตลอดเวลาเวลาจะตายก็พุโทโธพุโทโธไปแล้มัก็จะติดไปกับใจของเราต่อไปจากคุณนัทวัตรครับเรียนถามพระอาจารย์ครับหากมีปัญหาหัวเขา่าไม่สามารถนั่งขัดสมาธิและนั่งประเพียบได้สามารถบวชได้ไหมครับก็ลองไปหาวันที่เขาไม่ต้องให้นั่งพระเพียร ด, ดูว่ามีไหมว่าปารก์กเตนี้โดยธรรมเนียมก็ต้องมีการนั่งพระเพียบ ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆก็เราต้องคุยกับเจ้ า, าอาวาสยด่บางทีท่านอาจจะ อ, อ น, นุญาตเป็นกรณีพิเศษให้หาให้นั่งเข้าอีก็ได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่การปรึกษากับผู้ที่จะบวชเราว่าเขาสามารถที่จะ่อนตนเรื่องนี้ได้หรือไม่แต่คุณบัวลอยครับ่าสต ร, รศการพระอาจารย์เจ้าขา อยากจะช่วยแม่กับพ่อที่ไม่คุยกันท่านไม่มีความสุขจะทำอย่างไรดีคะถ้าท่านไม่ต้องการขอความช่วยเหลือลจากเราเราก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้แต่ถ้าท่านมาปรึกษากับเราว่าทายัางไงช่วยพูดไกลเกี่ยกันให้หน่อยได้ไหมเป็นเป็นคนกลางนี้ถ้าก็ามาขอร้องทั้งคู่เราก็ทำไปแต่ถ้าก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือลจากเราเราก็ช่วยอะไระเขาไม่ได้ คำถามจากคุณรัชยาครับกราบเรียนขอคําแนะนําเรื่องการเจริญบรณานุสติก่อนนอนครับอ๋อก็ก็เมื่อเรานอนก็คิดว่าเราอาจจะไม่ตื่นก็ได้คนที่หลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาก็มีเยอะแยะก็ถือว่าการนอนหลับนี่เป็นการตายก็แล้วกันคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้สบายใจเวลาเกิดเวลานอนหลับแล้วไม่ตื่นเวลาตายไปในตอนที่เรานอนหลับเราก็จะ เราก็จะไปอย่างสบายไปอย่างสงบแต่คุณมุกดาคะระอาจารย์อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิหายใจเข้าต้องภาวนาพุทธหายใจออกต้องภาวนาโทรหรือภาวนาพุทธโธโดยไม่ต้องคํานึงถึงออกหายใจเข้าออกคะถ้าเวลาดูนลมหายใจออก็เน้นต้องดูดูลมเป็นหลักถ้าเราใช้พุทธโทนี้เราไม่ต้องใช้ไม่จําดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ให้นึกอยู่กับคำพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวก็ได้อย่างที่เมื่อกี้ได้อธิบายแล้วว่ามันมีสามวิธีดูลมอย่างเดียวก็ดูที่ปลายจ ม, มูกหรธีกลางเ่าถ้าพุโทโธอย่างเดียวก็ไม่ต้องดูลมถ้าหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธก็ต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่ไปมีสามวิธีด้วยกันคุณชนชนกครับ ราบธรมทศ ก, กาณพระอาจารย์เดินถามถ้าเราให้อภัยเขาแล้วแต่เขาไม่สำนึกต้องทำยังไงเจ้าคะเ็ทําไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เลยเก็จะเห็นเองว่าเรามีความแน่วแน่ต่อการให้อภัยของเราเขาก็อาจจะเขาอาจจะรับรู้ได้มึงตรกาอาจจะคิดว่าเราเสียแซงก็ได้แต่ถ้าเขาเห็นเราทำอยู่เรื่อยๆต่อไปเขาใจอาจจะอ่อนนะ่า จ, จะให้อภัยเราก็ได้ จากคุณเทนี่โรเตอร์ครับคนโรคไม่รู้จักพอเราจะช่วยเขายังไงดีครับก็อยู่ที่เขาจะให้เราช่วยเขาหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการให้เราช่วย เ, าเขาหรอกนอกจากเขามาขอความช่วยเหลือว่าทำยังไงช่วยลดความโลภให้หน่อยเราก็บอกว่าเอาเงินมาให้เราสิเพาะมันจะตัดความโลภได้การทำบุญ ท, ทาทานนี่ก็จะตัดความโลภให้น้อยลงได้ คุณปียธนครับเป็นจิตคิดเวียนวนทำอย่างไรให้หายคะก็ต้องใช้สติเนี่ยเช่นการบริกรรมพุโทโธพุโทโธให้ที่อยู่แต่คาว่าพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวการคิดเวียนวนไปก็จะหยุดเองจากคุณเปิ้ลครับกราบธรรมสการพระอาจารย์ค่ะทุกครั้งที่ทำวัดเช้าเย็นสุนัขที่เลี้ยงไว้จะมานอนอยู่ข้างๆได้แผ่เมตตาให้เขาด้วยถ้าเขาหมดอายุไขเขาจะได้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีขึ้นไหมคะ อยู่ที่บุญบาปที่เขาทำไม่ได้อยู่ที่การแผ่เมตตาของเราคุณนัดนัดครับการฟังบทสวดมนต์หรือบทเพลงสวดมนต์ก่อนนอนแทนการสวดมนต์เองจะได้บุญไหมคะการสวดมนต์นี้เพื่อให้เรามีสติ ถ, ถ้าสวดแล้วเรามีสตินี่ก็ก็ถือว่าได้บุญแต่ถ้าสวดแล้วหลับก็ถือว่าไม่ได้บุญเพราะไม่มีสติ จากคุณยุทธนาครับสมาธิเป็นสังขารไหมครับไม่ใช่สมาธิเป็นการหยุดของสังขารความคิดปรุงแต่งถ้าความสความคิดปรุงแต่งคือสังขารไม่หยุดก็จะไม่เกิดสมาธิสมาธิก็คือการหยุดความคิดปรุงแต่งจิตเนิ่งศัพท์แต่ว่าความคิดหยุดไปคำถามสุดท้ายในนี้แต่ว่ามีคำถามในเพจอาจารย์อีกสาข้อนะครับอาจารย์ครับ คุณจะอสุริบอกว่าเวลาเราแผ่เมตตาให้คนเป็นเช่นเจ้านายหรือคนที่เราไม่ชอบจะทําให้เขาดีขึ้นหรือกลับมาทําดีกับเราได้หรือไม่ครับแน่นอนคุณลองซื้อของมาฝากคนทุกวันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้แผ่เมตตาด้วยการสวดนะที่บอกต้องแผ่ด้วยการกระทำหรือว่าเขาชอบถินทุกเรียนซื้อทุกเรียนมาฝากคนทุกวันหนึงแล้วเขาชอบอะไรก็ซื้อมาฝากคนทุกวันเดี๋ยวเขาก็ต้องชอบเราจนได้ มีคำถามเข้ามาอีกครับอาจารย์ครับขอโอกาสพระอาจาย์สักทีหนึ่งได้ไหมครับผมตามสบายตามสบายครับจากคุณพนนนีมนนมไม่เป็นไรครับจต่คุณพันนีครับกราบนรัศการพระอาจารย์เจ้าขา ข, าขอเล่นถามครัเวลานั่งสมาธิโยมฟุ้งสั้นมากจะทํำยังไงเจ้าขาก็าพราะยังไม่มีสติพอ น, นั่นเองยัง น, น, นั่งเฉยเฉยไม่ได้นั่งดูโยมเฉยเฉยไม่ได้ต้องท่องพุทโธพุทโธไปนั่งสวดมนต์ไปก่อนจากคุณนอส นะครับเรียนถามการที่เราไม่มพีพระพุทธรูปอะไรเลยบูชาโอเคไหมคะแต่เราสวดมนต์และทําสมาธิบ้างใช้ระ ล, ลึกถึงพระพุทธชินราชหรือพระอริยสง์เอาได้ไหมคะได้ไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติบูชาคือในการสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้จะทําให้เราเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่แทจ้จริงที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนพระพุทธรูปที่อยู่ภายนอก เป็นเพลงแต่สั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่จะเกิดจากการปฏิบัติของเร า, าคุณโปปี้ครับนั่งทําสมาธิด้วยการรู้ลมหายใจแล้วเกิดนิมิตลักษณะเป็นคล้ายลมหรือควันวิ่งบนเข้าหาตัวและเป็นการเห็นด้วยตาเนื้อเมื่อลืมตาขึ้นมาควรจะสนใจต่อไปหรือไม่หรือควรกลับมารู้ลมหายใจแล ะ, จะเจริญสติต่อไปครับควรจะรู้แต่ลมหายใจแล ะ, จะเจริญสติต่อไปอย่าไปสนใจครับ สิ่งในต่างที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิคุณแอนแอนจานะครับสวดมนต์ทำวัดเย็นตอนเช้าได้ไหมคะเพราะตอนเย็นไม่มีเวลาทําค่ะได้ทําตอนไหนก็ได้กลางวันก็ได้ตอนไหนที่เรามีเวลาว่างก็สวดมนต์ทำวัดได้คุณภาเชียนวีระนะครับการเพ่งกสินดินน้ําลมไฟเป็นการทําให้จิตสงบหรือสมถวิปัสนาครับ เป็นการทำให้จิตสงบครับโอเคได้อย่างนั้นเดี๋ยวผมขอโอกาสพระอาจารย์อ่านคำถามที่ค้างในเพจของอาจารย์นะครับจากคุณเอ ก, กีเอเอนะครับขอถามพระอาจารย์ครับฝึกเจริญส ม, มถะภาวนาสลับสติปัฏฐานสี่มาได้สองถึงสามปีบางทีตอนจะกราบพระสวดมนต์นั่งสมาธิจิตมีคำปรามาดมีคำพุรุสว่าต่อพ ร, ะราตะาตราผุดขึ้นมาโดยควบคุมไม่ได้ ทั้งที่กระผมมีความเคารพศรัทธาในองค์พระรัตนตรัยทั้งสาอย่างเต็มเปี่ยมนี้เป็นสัญญาใช่หรือไม่และกระผมควรวางเฉยไม่ใส่ใจหรือกําหนดคําบริกรรมเช่นคิดหนอมานมาหนอผมควรแก้ไขวางจิตวางใจอย่างไรดีครับและต้องทําอย่างไรให้อาการนี้หายไปครับกล่าวนามัสการพระอาจารย์ในความเมตตาครับก็ควรจะสอนจิตว่าการปรามทย์สิ่งที่เลิกประเสริญนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเกิดโทษกับเราเพราะทำ เพราะถ้าเป็นสิ่งที่เลือกที่วิเศษที่เราเคารพนับถือมันก็ต้าคอยสอนใจขอห้ามใจไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ทำมีคำถามจากคุณเตเต้ครับรบกวนสอบถามพระอาจารย์ค่ะเข้าใจว่าการทำบุญต้องทำเองตอนมีชีวิตอยู่จึงได้บุญมากแบบนี้ถ้าแสดงความจนงบริจาคอวัยวะไว้ก่อนตายหลังเราตายไปแล้วถ้าอวัยวะของเราถูกนาไปใช้บุญจะส่งถึงเราไหมคะ ไม่ถึงหรอว่าเราไม่รู้แล้วตอนนั้นว่าเราได้ทำบุญอันนี้หรือไม่ถ้าอยากจะได้บุญต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นแ บ, บริจาคไตข้างหนึ่งไปให้กับผู้แล้วเราก็จะเห็นประโยชน์ที่เกิดจากการบริจาคไตของเราเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนั้นแหละคือบุญครับแต่คุณภูว์วลวัลรูมครับ สอบถามครับถ้าเราเลี้ยงปลาทําบ่อบปลาเอาไปขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเราผิดศีลไหมครับอาจารย์ไม่ผิดนะแต่เป็นวิชาชีพเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไม่ควรกระทำสำหรับชาวพุทธว่าเป็นงานส่งเสริมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองครับอาจารย์คําถามหมดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอโอกาสสรุปตัวเลขวันนี้คนฟังถามด้วยกันเยอะเลยครับอาจารย์ครับในเฟซบุ๊กทั้งหมดหกร้อยสามคนนะครับ ใน y o ยูทูบพระอาจารย์หนึ่งร้อยเดสิบเก้ายูทูบด็อรวีหกร้อยสี่สิบหกรวยูทั้งหมด 25, แปด้อยิบห้าได้รับเฮาสิบสาคนนะครับรวมผู้ฟังธรรมพร้อมกันวันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่ิเอ็ดคนคนระับพระอาจารย์ครับยินดีกับทุกท่านที่เข้ามานำเทนนำธรรมกันเพราะการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งบุตเมื่อมีความยินดีในธรรมก็จะได้สัมผัสกับวดแห่งธรรมที่ชนะรสทางปวตก็ ข, ขอขสรุปไว้เพียงเท่านี้ ขอท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินในคฟังในวันนี้ไปพระดิจกระานาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็าบกรานะป็หมอไปเลยนะครับกับคุณพราาไม่มีอะไรขัดข้อง้าที่หน้าคงจะได้พบกันอีกครับผมอันนี้ครับกรับขอบณพระอาจารย์ครับ